ครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงในในข้อสิบเจ็ด น, นะะที่กล่าวถึงลักษณะของปุถุชนโดยประการต่างๆที่บอกว่าปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สะดับไม่ได้พบไม่ได้เห็นพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะ แล้วก็ไม่ได้รับคำแนะนำะคำว่าแนะนำในที่นี้หมายถึงวินัยเรียกว่าไม่มีวินัยของพระอริยะคือไม่มีธรรมะของพระอริยามัน ไ, ไม่ได้พบสัตบุรุษทั้งหลายแล้วก็ไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิกะนั่นนะ คือไม่รู้ว่าอะไรควรคิดไม่ควรคิดอะไรควรนึกไม่ควรนึกกันนะมันมนานสิกานเจตสิกก็เกิดร่วมกับจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าสำนวนเราก็คือบอกว่าไปคิดเรื่องที่ไม่ควรคิดอะเรื่องที่ควรคิดก็ไม่ไปคิดอย่างเงี้เพราะฉะนั้นไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนานสิการเขาเมื่อไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมานศสิกาน เมื่อไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนานัิกาย่อมมนานัิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนานัิกาไม่มนานัิการถึงธรรมะที่ควรมนานัิกาอะไรควรคิดไม่ควรคิดก็ก็ไม่รู้ว่างั้นเถอะตื่อที่จริงแล้วในการเกี่ยวข้องรับอารมณ์แต่ละครั้งของเราที่จริงนะเราก็มีอารมณ์นั้นอยู่ตลอดนั่นแหละแต่เมื่อรับอารมณ์แล้วเราคิดอย่างไรกับอารมณ์นั้นนะ นะส่วนใหญ่เราก็จะคิดไปไปเองเลยนะว่าเมื่อเห็นแล้วเราคิดยังไงควรจะคิดอย่างไรในอารมณ์นั้นๆเนี่ย น, นะของพระเนี่ยเดินดูแต่พื้นมากเดินจงกรมกว่าเดินดูดินนั่นแหละก็เห็นเอ๊ะแล้วทรมนาศิกานแบบควรมนาสิกานมนาิกานอย่างไรใช่ไหมคื อ, อยังไงก็นั่งก็เหมือนกับ อ่านหนังสือก็คิดตามหนังสือใช่ไหมถ้าหากว่านั่งดูเพลินเฉยๆนั่งดูโต้เฉยๆเนี่ยนั่งนั่งทำยังไงเนี่ยควรมนัสสิการอย่างไรควรใส่ใจอย่างไรคือถ้าบอกว่าไม่ต้องมนัสสิการอะไรทักอย่างถามมันทำได้ไหมล่ะมีใครทำได้หรอกในโลกนี้นั่งเฉยๆโดยที่ไม่คิดเลยเนะถ้าคนทำตัวนั่งเฉยๆได้โดยที่ไม่ต้องคิดเนี่ย เว้นแต่พระที่เข้านิโรธสมาบัติท่านนั่งเฉยๆไม่คิดสักอย่างไม่มีจิตเลยแต่ธรรมชาติของจิตทุกดวงแล้วคิดหรือรู้อารมณ์ต้องรู้หมดถ้าหากว่าทวิปัญจานี่ไม่มีวิตกวิจารมันมีการตรึกการตรองอะไรสักอย่างจิตที่เหลือนี่คิดนึกหมดเลยเนี่ยน ะ, ะแต่ว่าการคิดนึกจริงๆแล้วส่วนที่ละเอียดนี่ก็คื อ, ไ อ, ไอไมโนทวารเนี่ยนะมโนทวาร แต่เฉพาะปัญจทวารเนี่ยก็มันล่วงมาเป็นกรรมไม่ได้ล่วงมาเป็นกายกรรมวจีกรรมไม่ได้มโนปัญจทวารนิถีล่วงเฉพาะมโนทวารเนี่ยนะเป็นกรรมทางมโนทวารแต่ไม่ล่วงมาทางกายทวารและวจีทวารเพราะฉะนั้นชาวนะเราก็ต้องคิดอยู่แล้วใช่ไหมตามธรรมดาวิถีจิตเนี่ยเมื่อปัญจทวารวิถีเกิดก็ต้องต่อด้วยมโนทวารนิถี ถ้าหากว่าเราตามภาษาเราเห็นผ้าก็เออผ้าลายเป็นรูปดอกไม้เราก็คิดตามภาษาเราเนี่ยนะก็คีดไปตามเรื่องตามราวของเราถามว่าถ้าหากว่าควรมนสิการนี้มนสิการอย่างไรเนี่ยนะะตรงนี้นั้นถ้าผู้ที่เข้าใจหลักคำสอนอย่างดีอยู่แล้วก็คือพื้นฐานเบื้องต้นเลยเนี่ยนะที่บอกว่ามีพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเนี่ยคนนั้นต้องนึกถึงคาสอนได้อย่างไรอย่างหนึ่งเนี่ยนะ นึกถึงคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งก็เหมือนกับยกตัวอย่างว่าพระกลุ่มหนึ่งใช่ไหมท่านไปสนทนาเรื่องแผ่นดินอะ่ะโอ้ยดินตรงโน้นมีกรวดเยอะดินตรงนี้งามเนี่ยนะถ้าจะปลูกต้นไม้นั่นก็คงจะดีเนาะก็คุยแต่เรื่องแผ่นดินกันอะนะปฐวีกถาของนั้นพระองค์บอกว่าธรรมดาภิกษุไม่ควรมนสิการแบบนั้นควรมนสิการแผ่นดินภายในเนี่ยนะ ควรมนสิการมหาภูตรูปที่อยู่ภายในเนี่ยนะปฐวีาธาตุที่อยู่ในภายในเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่ามนสิการปฐวีาธาตุภายนอกมากๆเนี่ยนะมันก็ไปอย่างอื่นและคือเป็นวิชาแบบทางโลกซะส่วนใหญ่ซึ่งวิชาเหล่านั้นเป็นไปเพื่อวัตถุเนี่ยนะผมก็ไม่ได้กล่าวว่าไม่มีศาสตร์เหล่าอื่นๆในแขงอื่นๆเนี่ยนะการวิจัยต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยนะเพื่อให้รู้ สิ่งต่างๆเหล่านั้นพระองค์ก็ไม่จะกล่าวว่าไม่มีมีแต่วิชาแขนงนั้นนะ่ะที่สุดของวิชานั้นนนั้นก็คือการเลี้ยงชีพเท่านั้นเนี่ยนะการเลี้ยงชีพแต่ว่าชีวิตของเราเมื่อเกิดมาก็ไม่ควรที่จะอยู่แค่แค่เลี้ยงชีพนะควรที่มีมีศาสตราจารย์คนหนึ่งนะพูดดีนะบอกในฐานะที่ผมเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยผมก็ไม่ควรที่จะอยู่แค่ระดับธรำมาหากินผมน่าจะมีโลกกว้างทางความคิดอะไรแบบนี้นะ ด็อรระวีภาวีไลนั่นแหละแกพูดดีมากกันหลายเรื่องมันทําให้เห็นว่าความคิดของเรานั้นก็ไม่ควรที่จะมีมีความนึกคิดแค่ว่าทํำยังไงเพื่อปากท้องเท่านั้นไม่ควรจะหยุดอยู่เท่านั้นหรือก็ไม่ควรที่จะสแสวงหาตามมาสุขโดยส่วนเดียวนี น, นะความสแสวงหาความสุขในอารมณ์ต่างๆด้วยอํานาจของชาวนาที่เป็นไปกับโลภะก็ไม่ควรที่จะเป็นลักษณะนั้นควรที่จะให้ทํำยังไงกุศ ล, ลจิตเกิด นะพัฒนาคุณภาพจิตให้มันดียิ่งกว่านั้นได้ตรงนี้ถ้าหากว่าเรามีคําสอนเป็นอย่างดีเราก็จะรู้ว่าเออในชั้นต้นเลยนะตามสูตรนี้ก็ทําให้เห็นว่าควรคิดกับไม่ควรคิดก่อนเนี่ยนะให้แยกตัวความคิดเนี่ยนะคืออารมณ์นี่ต้องรับอยู่แล้วใช่ไหมทางตาเนี่ยเราต้องเห็นอยู่แล้วเมื่อเห็นแล้วควรคิดอย่างไรเนี่ยนะควรคิดอย่างไรเพราะถ้าหากว่าคิดไม่ดีก็เป็นบาป เป็นอากุศลถ้าหาว่าปุตุชนธรรมดาก็คือไอเรื่องที่ควรคิดก็ไม่คิดไอเรื่องที่ไม่ควรคิดเนี่ยคิดมากจริงๆเลยเรื่องที่ควรคิดเป็นไปตามคําสอนก็ก็ไม่คิดเมื่อไม่คิดก็เสียหายต่างๆมากมาย <c oughs> ซึ่งท่านอธิบายในอัตกถาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระประสงค์จะ ทรงกระทําให้แจ้งซึ่งบทเหล่านั้นโดยลําดับจึงทรงตั้งปัญหาว่าภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่ควรละด้วยทัศนะดังนี้แล้วเห็นไหมก็ทรงเริ่มเทศนาอันเป็นปุคลาธิฐานว่าคือเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่คือปุคลาทิฏฐานกับธรรมาธิฐานบางทีเนี่ยนะปุคลาทิฐานต่อด้วยธรรมาทิฐานบางทีธรรมาทิฐานต่อด้วยปุคลาธิฐานเนี่ยแสดงสลับกันก็มีเห็นไหม โดยการพิสูจนทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมวินัยนี้เห็นไหมอันนี้เป็นปุคลาที่ฐานนะโดยนัยดังกล่าวแล้วในมูลปริยัจสุดคําว่ามณสิกรณเยทำเมนับประชานาติเขาบอกว่าย่อมไม่รู้จักธรรมะที่ควรน้อมนึกคือที่ควรนำมาพิจารณาเห็นไหมอะไรควรพิจารณาก็ไม่รู้อะไรไม่ควรพิจารณาก็ไม่รู้ บทว่าอมะ น, นัสิกกรณีเยความว่าย่อมไม่รู้จักธรรมะที่ตรงกันข้ามนะนะคือเอ๊ยอย่างนี้ควรใส่ใจก็ไม่ไม่ใส่ใจไ ม, ไม่ไม่พิจารณาก็เพราะการกำหนดโดยธรรมะว่าธรรมะเหล่านี้ควรใส่ใจธรรมะเหล่านี้ไม่ควรใส่ใจดังนี้ไม่มีแต่การกำหนดโดยอาการมีอยู่คือคือขาบอกว่า ในทุกๆอารมณ์เนี่ยนะอารมณ์ไหนควรพิจารณาอารมณ์ไหนไม่ควรพิจารณามีไหมตัวอารมณ์เนี่ยนะยกตัวอย่างเลยอารมณ์ทางตาเนี่ยมีไหมอารมณ์ไหนไม่ควรพิจารณาเลยมีไหมไม่มีแต่อาการที่ไปพิจารณาอารมณ์เนี่ยควรควรเลือกแต่ไม่ควรเกี่ยงอารมณ์เข้าใจนะวัตถุวิญญาณอารมณ์นะเรานึกสู่เราได้นะวัตถุวิญญาณอารมณ์เนี่ยให้แยกอารมณ์หรือแยกวัตถุ แยกอะไรแยกวิญญาณเอามีสามมาบอกสามใช่ไหมหนึ่งวัตถุวิญญาณอารมณ์ก็บอกว่าแยกอารมณ์หรือแยกวัตถุเอาอารมณ์มันก็เป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้วอะ่ะใช่ไหมสีก็เป็นอย่างนั้นของสีตาก็เป็นอย่างนี้ของตาอยู่แล้วแต่วิถีจิตเนี่ยที่มันแยกได้นะควรที่พอกพูนจริงๆคือวิถีจิตคันนี้จําแม่นเลยนะแยกก็แย ก, แยกความคิดนะมันอย่าไปแยกอารมณ์ เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายที่ภิกษุใส่ใจอยู่โดยอาการใดจึงเป็นประทับฐานแห่งการบังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมภิกษุไม่ควรทำการใส่ใจในธรรมะเหล่านั้นโดยอาการนั้นคืออารมณ์นี่ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่คิดยังไงไม่ให้เป็นอกุศลเมื่อได้รับอารมณ์นั้นไม่ควรไปเลือกอารมณ์จนเกินไปแต่ก็คือบางสูตรท่านก็บอกว่า อารมณ์ใดที่คิดแล้วเป็นอกุศลไม่ควรรู้อารมณ์นั้นนะพึงห้ามใจแต่อารมณ์นั้นก็คือที่จริงอะ่ะถ้าคนที่ฉลาดก็พลิกความคิดซะเพราะอารมณ์มันพลิกไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมก็พลิกความคิดให้ว่าพิจารณาอารมณ์นั้นอย่างไรนี่แหละตรงนั้นแหละเป็นเป็นเรื่องที่เราฝึกได้ถ้าในโลกนี้เราจะได้ดีเพราะอารมณ์นคงดีของเราเนี่ยดียังไงด้วย เพราะว่าอารมณ์นี้ไม่ได้ทำให้สัตว์ดีหรือชั่วถ้าหากว่าเป็นรูปารมณ์สัทธารมณ์เนเพราะถ้าปัญจารมณ์นะเป็นเป็นธรรมะอะไรเป็นอพยกรตะธรรมนะตัวอารมณ์เป็นอัพยากตะธรรมอารมณ์บางอย่างเป็นผลของกรรมของจิตของอุตโตและของอาหารเพราะอารมณ์นั้นถ้ารูปารมณ์มีสมุธฐานสสัทธารมณ์มีสมุธฐานสองคันธารมณ์มีสมุธฐาน สี่ราษรา ม, มีสมุทฐานสี่และโพธพารมก็มีสมุทฐาน4เนี่ยนะอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วล่ะแต่ทีนี้ทําอย่างไรที่จะมีความสามารถหรือที่เรียกว่ามีปัญญาเนี่ยพิจารณาอารมณ์นั้นๆแต่ทีนี้ถ้าหากว่าของเราทั้งหลายเราก็ไม่ควรที่บอาพิจารณาเอาเองว่าต้องอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานี้อันนี้ที่เรียกว่าอย่างนี้ เ, เรียกว่าสิทธิ์ไม่มีอาจารย์ก็ว่า ง, า ง, งั้นเถอะนะสิทธิ์ไม่มีอาจารย์เราก็ควรจะมีอาจารย์ใช่ไหม อาจารย์ของเราเป็นยังไงถ้าใช้คําว่าอาจารย์เป็นไงอ่านึกถึงไตรสราณคามได้หรือเปล่าสิสภาวูปคามนาขอถึงความเป็นสิทของท่านอ่ะภาษาสดาทรงแนะนําเราอย่างไรคํำสอนเรากล่าวอย่างไรแล้วภาษาวกท่านปฏิบัติอย่างไรกับอารมณ์นั้นเนี่ยนะทำให้ว่าอา ร, รมณปัจจัยคือสีเหมือนเดิมนั่นแหละ แต่ถ้าพระสารีบุตรเห็นสีนั้นอะพระสารีบุตรท่านคิดยังไงพระพุทธเจ้าเห็นสีนั้นอะพระองค์คิดยังไงแล้วพระองค์เทศสอนเรื่องสีนั้นอย่างไรเนี่ยนะไอตรงนั้นสิ่งที่ควรเราที่จะมาน้อมนึกมาตรึกตามท่านแต่ถ้าหากว่าเราให้ไปคิดเอาเองไงนะคิดจนปวดหัวคิดไม่ออกอะคิดยังไงมันก็สีอยู่ดียคิดยังไงมันก็น้าหวานเนี่ยมันดูยังไงก็น้ำหวานไออย่างน้คิดมันเป็นอะไรต่อจ้ะ ของเราเดี๋ยวก็ตันหมดละคิดอะไรหูเออตาลายไปหมดอ่ะยิ่งก็เหมือนกับให้คนไม่เป็นหมอเลยนะวิจัยโรค อ, อ่ะก็ก็ดูอะ่ะก็เป็นฝีอ่ะก็ฝีก็ฝีดิไม่รู้อะไรแต้จะแก้ปัญหานั้นยังไงต่อไปอีกไม่รู้อะไรทักอย่างเลย <S <S เพราะฉะนั้นควรใส่ใจอย่างไรที่จะอาสะวะจะไม่เกิดขึ้นว่างั้นเด ธรรมะทั้งหลายที่ภิกษุใส่ใจโดยอาการใดจึงเป็นประทัดฐานแห่งการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมธรรมะเหล่านั้นภิกษุควรใส่ใจโดยอาการนั้นคือใส่ใจอย่างไรคิดอย่างไรแล้วกุศลจิตเกิดขึ้นควรใส่ใจแบบนั้นแหละใช่ไหมถ้าเราเรียนเรื่องมหากุศลมาแล้วเนี่ยนะจะรู้ว่าเออในอารมณ์หนึ่งอารมณ์นี้ต่อด้วยทานกุศลได้ไหม เพราะสิ่งที่ควรเจริญถ้าเป็นของพวกเราทั้งหลายก็คือกุศลธรรมใช่ไหมทําทยังไงกุศลจิตจะเกิดแล้วก็เอาเรื่องทานมาตั้งล่ะเออในอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ปัจจัยให้ทานได้ไหมทีนี้ถ้าหากว่าจะหาะรายละเอียดว่าทานนี่มีกี่อย่างานะนะมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงบ้าง เ, าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวเรื่องเกี่ยวเรื่องกับเรื่องศีลไหมนี่สมมติเอาน้ําแก้มแก้วเดียวเนี่ยนะน้ำนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องศีลไหม อาศัยน้ําคนทําเนี่ยเอากรรมบทมาตั้งอีกว่าเออเป็นเกี่ยวเนื่องกับเรื่องศีลไหมถ้าชาวนะเป็นถึงกับล่วงศีลให้ผลนําเกิดได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าหาว่าเราปารายังไงกุศละศีลจึงจะเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าพิจารณาโดยอารมณ์นี้โดยความเป็นศีลกุศลทีนี้ถ้าภาวนากุศลน่ะสมถะภาวนาเนี่ยถ้าเอาเป็นสมถะได้ไหมพระองค์แสดงว่าไงรู้ไหม อาหารที่กินเดิมเคียวลิ้มมีอะไรเป็นผลมีอุจจาระปัสสาวะเป็นผลนี่เป็นผลของอาหาร น, น, นั้นที่สุดของอาหารนั้นเป็นเป็นลักษณะนั้นทีนี้อาหารที่เข้าไปในกายของเราเนี่ยนะอาหารมันรู้ไหมว่ามันเข้าไปเลี้ยงกายไม่รู้กายรู้ไหมว่าอาหารเนี่ยมาเลี้ยงเราแล้วนะต่างฝ่ายก็ต่างไม่รู้ซึ่งกันและกันเลยเนี่ยนะแต่ก็ทำงานโดยตาม ปัจจัยของเขาเนี่ยนะเป็นไปตามปัจจัยของเขาถ้าหาว่าผู้ที่ไม่รู้ความจริงเหล่านี้อะไรเกิดขึ้นอาสวะไหนเกิดอวิชชาสวะก็เกิดเนี่ยนะถ้าอาวิชชาสวะเกิดได้อย่างเนี่ยนะทำให้ได้สิ่งที่ไม่ควรได้โลภาก็ตามมาโทสะก็ตามมาตามมาอีกเพียบเลยเพราะฉะนั้นปารบอย่างไรที่กุศลธรรมจึงจะเกิดขึ้นได้ทีนี้พระ อ, องค์ตรัสต่อไปว่า บทว่ายะสะพิกเวธรรมเเม่มณสกกโรโตอุปันโนวากามาสโวะพึงเห็นเนื้อความดังนี้ว่าอนุปันโนจะกามาสโวะปัชติอุปันโนจะกามาสโวะปวัตติแปลว่ากามาสว ะ, ว ท, ะ, วาาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกามาสวะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญขึ้นเนีย่ยนะอาสวะในสูตรนี้มีมีสใช่ไหมอาทีที่กล่าวถึงหนึ่งกามาสวะ สภาวาสะวะและก็ 3. อวิชชาสะวะในหน้า19นะดูดูตามไปด้วย น, นะธรรมะที่ไม่ควรมนานสิการซึ่งปุตุชนมนานสิการเนี่ยเป็นอย่างไรคือเมื่อปุตุชนมนานสิการถึงธรรมะเหล่าใดกามาสะวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญภาวาสะวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญและอวิชชาสะวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญธรรมะเหล่านี้คือธรรมะที่ไม่ควรมนานสิการซึ่งปุตุชนมนานสิการเห็นไหมคือมนานสิการแล้วถ้าใช้คําว่ากามาสะวะได้แก่อะไรได้แก่โลภะเจตสิกที่ยินดีในกามาคุณทั้ง5้าเรียกว่ากามาสะวะนะถ้าใช้คําว่าโลภะเจตสิกนี้จิตกี่ดวง เท่ากับพูดแล้วจิตกี่ดวงคือเมื่อสมมติอยกทางตาเลยนะสีถ้ามณัิการไม่ดีโลภะมูลจิตเกิดได้ทั้งแปดดวงแต่ว่าเน้นตัวโลภะเจตสิกโลภะยังไงเาเขาเข า, เขาก็ต้องเกิดเป็นทีมของเขาเนาะ<ม>เขาไม่เกิดอย่างเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นเห็นยังไงแล้วโลภะเกิดอะไม่ควรมณัิการแบบนั้นคือเมื่อมนัิการแล้วโลภะเกิดทั้งหมดเลย หรือว่ามนสิการไปแล้วโลภะทิฏฐิขตะสัมปยุตเกิดขึ้นนะเป็นสัสนะทิฏฐิไออย่างนี้เรียกว่าทิฐาสวะหรือเป็นอุเฉ ท, ท, ทัททิฏฐิเนี่ยนะคือคิดยังไงแล้วทิฏฐิคตะสัมปยุตเกิดขึ้นไม่ควรคิดแบบนั้นแสดงว่าต้องหารายละเอียดหน่อยนะทิฏฐินี้มีเท่าไหร่นะทิฐิแบบพิสดารหน่อยก็ 62นะปฏิสัมพิทาบอกว่า200กว่าน่าสนใจนะปฏิสัมพิธาทิฏฐิกถาเรื่องทิฏฐิน่าสนใจนะรายละเอียดเยอะนะแต่ทิฏฐิพื้นฐานแนละ้ทั้งหมดมี20นะทิฏฐพื้นฐานทั้งหมดมี20นะ่20เรียกว่าสากายะทิฏฐิสากายยะทิฏฐินั่นแหละเป็นประธานของทิฏฐิ62 สกายทิฏฐิ2ี่นี้จำให้แม่นว่านะถ้าคิดว่ารูปเวรูปเป็นอัตตาเวทนาเป็นอัตตาสัญญาเป็นอัตตาสังขาราสังขารเป็นอัตตาและวิญญาณเป็นอัตตาถ้าคิด5้าอย่างแบบนี้นะข้อใดข้อหนึ่งเนะี่ยเป็นอุเฉท ท, ทิฏฐิเนี่ยนะถ้าคิดว่าสิ่งนั้นๆเป็นอัตตานะนั่นแหละเป็นอุเฉท ท, ทิฏฐิแต่ถ้า15ข้อที่เหลือเป็น สัสตตติทินี่นะหรือว่าอัตตามีอยู่ในนั้น อ, อย่างเช่นยกตัวอย่างนะเราเห็นเรียกว่าเห็นคนเนี่ยใช่ไหมถ้าเห็นว่านั่นอ่ะคือตัวอัตตานั่งอยู่แสดงว่าเราเข้าใจว่านี่ศูนย์นะถ้าเขาตายแล้วหมดเลยถ้ามองเห็นว่าสีเนี่ยนะเป็นอัตตาเลยนะะยกตัวอย่างว่าเห็นนายกตัวนายกเนี่ยนะตัวรูปผมคนเล็บนายกนี่แหละคือตัวอัตตาเขาละแต่ถ้าเราสาคัญอย่างนั้นเนี่ยนะ จะต่อด้วยอุดเชททิฐิทันทีเลยว่าเอออัตตาตัวนี้เนี่ยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็มีแต่ขีเท่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัตตาเนี่ยศูนย์แต่ถ้าเข้าใจว่าอัตตาเนี่ยอยู่ในรูปอันนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสัตสติฐิและตัวตายเฉยเฉแต่วิญญาณออก อ, อัตตาอยู่ข้างในรูปอันนั้นนี่นะถ้าลักษณะนั้นเป็นสัตสติฐิไม่ควรใส่ใจแบบนั้น หรือถ้าหากบอกโอ้โหเวทนาเนี่ยเป็นอัตตาไน้เวทนาก็ไม่เที่ยงนะอัตตก็ก็ศูนย์นะใช่ไหมถ้าสัญญาเป็นอัตตาถ้าจําอะไรไม่ได้เลยสัญญาไม่เกิดเป็นอะไรสัญญาก็ศูนย์สิถ้าสังขาราหรือโทสะเป็นอัตตาอา้าวโทสะหมดไปอา้าวโทสะก็ศูนย์ไปแล้วถ้าวิ ญ, ญญาณเป็นอัตตาวิ ญ, ญญาณเกิดด้วยปัจจัยเมื่อวิ ญ, ญญาณไม่เกิดอา้าวอัตตก็ศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ คิดแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตานั่นเป็นทำไมนะทิฏฐิอะไรนะอุเฉเททิฏฐิเพราะที่สุดของอัตตานั้นแตกดับคือขันห้ามีเที่ยงมีไหมไม่มีอ้าวเมื่อเมื่อเข้าใจว่าขันห้าย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอัตตาเนี่ยนะถ้าขันห้าเหล่านั้นมันหมดไปอ้าวอัตตาก็หมดไปแล้วนี่เพราะฉะนั้นพวกนี้ทิฏฐิอันนี้จะต่อด้วยอุเฉเถททิฏฐิ แต่ถ้าหากว่าเข้าใจว่าอัตตาเนี่ยไปอยู่ในนั้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นสัสตตทิฏฐินะคือไม่ควรที่จะคิดแบบนี้แล้วไอ้ทิฏฐิแบบนี้เกิดขึ้นไม่ควรคิดในลักษณะนี้หรือบางทีคิดแล้วอวิชชาเกิดขึ้นเนี่ยนะอวิชชาสวะเกิดขึ้นเนี่ยในทุกๆอารมณ์เลยนะถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วอวิชชาเกิดขึ้นอวิชชาคือความไม่รู้กี่อย่างนะ ความไม่รู้แปประการนะอวิชชาคือความไม่รู้แปประการยกตัวอย่างว่าในหนึ่งอารมณ์เนี่ยนะตั้งขึ้นมาเลยแล้วเอ๊ะมองเห็นเนี่ยเรารู้ว่าเรื่องอวิชชาหนึ่งนะไม่รู้เรื่องทุกข์สัตว์ไม่รู้ทุกข์สัตว์เอ๊ะเราเห็นอันนี้เป็นทุกข์สัตว์ไหมสองอวิชชาไม่รู้สมุทัยสัตว์ไม่รู้นิโรธสัตว์ไม่รู้มรรคสัตว์ไม่รู้ขันธทิทยทนะที่เป็นอดีต ไม่รู้ขันท่าอริยตนะที่เป็นอนาคต <c oughs> ไม่รู้ขันท่าอริยตนะทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทธรรมความไม่รู้ทั้งแปดประการนั่นแหละเป็นวิชาเอ๊ะถ้าเราพิจารณาเรื่องขนาดพิจารณาโดยความเป็นทุกข์สัตว์เออวิชาก็เริ่มเกิดแล้วทีนะเนี่ไม่ยากนักนี่จเจริญวิชาเนี่ย อ่ะ น, นะก็คือคิดยังไงให้รู้เออนี่ทุกขสัตว์นะนี่สมุทัยสัตว์นี่นิโรสัตว์นี่มรรสัตว์อะ่ะตารบยังไงที่จะให้มีความรู้เรื่องอริยสัจเป็นอย่างดีหรือว่าพิจารณาอย่างไงจึงจะมองเห็นปฏิจจสมุปบาทหรือว่าสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะเป็นอดีตอนาคตมันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอย่างไรถ้าตารบอย่างนี้บ่อยๆ อ, อวิชชาสวะก็จะไม่เกิดแต่อย่างว่าไม่คิดอย่างนี้หรอก อย่างนั้นปุตุชนไม่คิดอย่างนี้หรอกก็บอกว่าธรรมะที่ควรมนัิการซึ่งปุตุชนไม่มนัิการเป็นอย่างไรคือเมื่อปุตุชนมนัิการถึงธรรมะเหล่าใดกา ม, มาสะวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างนี้นควรมนัิการนะคิดแล้วโลภะไม่เกิดเนี่ยไม่คิดอเพราะอะไรเพราะไปคิดให้โลภะมันเกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป ภาวาสะวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเนี่ยนะคือเอคิดอย่างงี้แล้วพวกทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยมันไม่เกิดเนี่ยแต่ไม่คิดอะ่ะหรือว่าอาวิชชาสะวะที่ยังไม่เกิดย่อมย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปธรรมะเหล่านี้คือธรรมะที่ควรมนัศกา ร, รซึ่งปุถุชนไม่มนานัศการเอคิดอย่างงี้แล้วอวิชามันจะหมดเนี่ยก็ยังถนอมหรือเปล่าไม่ถนอมเนาะ เพียงแต่มันไม่รู้ไม่รู้ทางเหมือนกันแไม่ได้อาจารย์นอะแต่ถ้าได้อาจารย์เนี่ยนะมีพุทธังสารนังขะฉามิได้พุทธพุทธเจ้าเป็นอาจารย์เนี่ยได้ดีแน่แต่ปัญหาทําการก็คือทํำยังไงจะได้คิดถึงพระพุทธเจ้าได้มากๆขึ้นนะมีพระพุทธเจ้านําหน้าเลยพระองค์ชี้ยังไงในเรื่องนี้จะได้คิดตามท่านเพราะปุถุชนนั้นมานสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมานสิการไม่มานสิการถึงธรรมะที่ควรมานสิการ อาสะวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอาสะวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญถามว่าปุตุชนนั้นมนัิการที่ที่มนัิการไปแล้วเนี่ยก็คือมนัิการแล้วทิฐิและวิจิกิจชาเกิดขึ้นซึ่งจะได้อธิบายต่อไปแต่ตรงนี้ขอยกข้อความในอัตกาถานะนะตรงเชิงอัดข้างล่างเนี่ยนะก็คือข้อความนั้น เป็นเป็นอัตตราฐานะยกตัวอย่างเช่นมมอตัวนั้นมจุดนี้ชื่อของมัชิมนิกายมูมูเนี่ยหมายถึงมูลปันนาตอจุดนี้หมายถึงอัตตราฐา1หนึ่งทับเนี่ยเป็นชื่อของเล่มเล่มหนึ่งสเจ็ดนะทับสิบเจ็ดเป็นชื่อของข้อเจบเป็นชื่อของหน้าแต่ต้องเป็นฉบับภาษาบาลีฉบับ ม, มจรอ เนี่ยนะดูได้ตามนั้นได้แต่นี้เอาฉบับภาษาไทยมหมามกุฏเนี่ยนะเอามามาอ่านให้ฟังที่จริงก็ท่านให้เชิงอัดคร่าวๆไว้แล้วละ่ะบรรดาอาสวะเหล่านั้นความกำหนัดอันประกอบด้วยกามาคุณหาชื่อว่ากามาสวะเนี่ยนะตัวโลภะที่ยินดีในรูปเสียงเกลิ่นรถและโธทภะชื่อว่ากามาสวะ ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปประพบและความพอใจในฌานซึ่งประกอบด้วยสัสตตตถิฐิและอุเฉททิฐิชื่อว่าภวาสวะแม้ทิฐาสวะก็รวมลงในภวาสวะเหมือนกันด้วยอาการอย่างนี้เห็นไหมทิถาสวะกับภาวาสวะนี้รวมลงในที่เดียวกันเลยเนาะความไม่รู้ในสัจจะทั้งสี่ชื่อว่า อวิชาสวาบรรดาอาสวะเหล่านั้นกามาสวะซึ่งยังไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญแก่ผู้ที่ยินดีคือใส่ใจในการมคุณใช่ไหมคือใส่ใจโดยความน่ายินดีของรูปเสียงกลิ่นรสและโพธะะกามาสวะที่ยังไม่เกิดก็ก็เกิดขึ้นภาวาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญแก่ผู้ที่ ยินดีชอบใจคือสายใจในมหากาตะธรรมคนที่ได้ฌานนี่น ะ, ะยกตัวอย่างผู้ที่ได้ฌานก็คิดถึงฌานด้วยความยินดีติดใจอันนี้ก็เป็นภาะวะสวะแต่ถ้าหากว่าของพวกเราทั้งหลายจะเป็นภาะวะสวะก็คือประเภทที่ฐานสะวะนั่นแหละคือทิฐิสา ม, มารถเกิดได้อวิชชาสะวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิด ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญแก่ผู้ใส่ใจในธรรมะอันเป็นไปในภูมิสโดยธรรมะเป็นประธานแห่งวิปลาสสีคิดแล้ววิปลาสเกิดต่อเลยนไหมการตรึกแล้ววิปลาสเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นเป็นเหตุใกล้แห่งอวิชชาหรืออวิชชาจะอาศัยแบบนั้นแหละเกิดขึ้นคือเราทั้งหลายส่วนใหญ่ก็จะมองตรงกันข้ามอมองมอ ง, มองตามวิปลาส คืออย่างนี้นะว่าพาระรยเจ้าท่านบอกไม่เที่ยงเราก็ว่าเอ๊ะ ก, ก, ก็อยู่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมแต่ท่านบอกมันไม่เที่ยงคือที่ว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยนะท่านประมวลเหตุการณ์ของเรื่องนั้นอย่างตลอดสายท่านไม่ได้มองอยู่แค่ตรงนี้หรอกอย่างสมมุติว่าเรามองเห็นที่เรียกว่าคนเนี่ยนะถ้าพระรยเจ้าท่านไม่ได้มองอยู่แค่ตรงนี้ถ้ามองอยู่แค่ตรงนี้อย่างไงมันก็มันก็ชวนให้วิปลาสจริงๆแต่ท่านมองตั้งแต่อะไร ชาติพิทุกขาเลยชาราพิทุกขามรณะพิทุกขังถ้าธรรมจักบอกว่าพยาธิด้วยนะถ้าธรรมจักเป็นพยาธิถ้าที่อื่นไม่มีพยาธิทั้งชาติชาราพยาธิมรณะและก็อาศัยสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดโสกกะปริเทวะทุกโทโมนัตและอุปายาตไม้ในอาศัยสิ่งนี้ทําให้ประจวบกับสิ่งอันเป็นที่รักพลาดพลาดจากประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักพลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รัก ่หรือปรารถนาแล้วไม่สมหวังเนี่ยนะแล้วก็ตัวโดยย่อสิ่งเหล่านี้ก็คือตัวขันห้าและขันห้าตัวนี้เนี่ ย, ร, ยรูป เ, ท, เ ท, ญญญญที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านมองเรื่องราวเหล่านี้อย่างอย่างตลอดสายเลยท่านไม่ได้ใส่ใจอยู่แค่ตรงนี้หรอกถ้าใสา่ใจแบบเราเราเนี่ยนะมันยังไงมันก็มันก็เห็นธรรมดาที่จริงของท่านพิจารณาในสิ่งนั้นเนี่ยนะมันก็ คล้ายๆกับการมองภาพสามมิติ น, นะมองภาพสามิติมันก็ดูเป็นเงาๆอะไรธรรมดาแต่ถ้าเราตั้งใจมองลึกๆแไงก็จะเห็นเป็นภาพซ้อนๆ ๆ, ๆอะไรอยู่ในนั้นตั้งหลายอย่างการพิจารณาธรรมะก็เหมือนกนอันนะถ้าพิจารณาโดยธรรมดาเฉยๆสีก็สีเฉยๆแต่ถ้าเรานึกถึงคําสอนได้นะคำสอนจะกล่าวสิ่งเหล่านี้เป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเลยยกตัวอย่างที่พระบางองค์เนี่ยนะท่านเห็นคนร่ายรำนะ ท่านก็ใส่ใจถึงเรื่องของสีแล้วก็ต่อด้วยสมุดฐานเป็นต้นนะพอได้สมุดฐานซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานแล้วสมุดฐานที่เหลือก็จะตามมาท่านก็จะใส่ใจในเรื่องขันธ์อริยะตนะต่อไปนะก็ไม่ยากนะอาศัยสีสีเดียวนั่นแหละแล้วก็พิจารณาคำสอนต่อไปได้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางต่อไปแต่ถ้าไม่พิจารณาอย่างนั้นเอเี่ยงนันก็สนุกดีเหมือนกันนะสุขนะสุขแล้วก็เป็นอัตตาด้วย งามด้วยนะถ้าสายใจไม่ดีก็จะในลักษณะนั้นอ่าและทีนี้ข้อความในหน้าอ่ในข้อ18เนี่ยนะท่านกล่าวถึงเรื่องของการยกทิฐิที่มีวิจิกิจฉาเป็นประทานไม่ใช่สงสัยแบบธรรมดานะแต่สงสัยแบบมีวิจิกิจฉาเป็นประทานในข้อ18ว่า ปุถุชนนั้นมนุิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ว่าในอดีตการอันยาวนานเราได้มีแล้วหรือไม่ได้มีหนาคือคือข้อแรกก่อนนะเขาสงสัยสงสัยว่าเอในอดีตการเนี่ยเรามีหรือว่าไม่มีกันแน่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเราได้มีแล้วเนี่ยสงสัยอย่างนี้เนี่ยเป็นนับหนึ่งนะข้อสอง หรือไม่ได้มีแล้วเนี่นับสองเนี่ยนะก็คือปุถุชนนี้สงสัยเรื่องอัตตาในอดีตอ่ะนะว่าเอออัตตาในอดีตเนี่ยมีหรือเปล่านะ้ะเอชาตินั้นเนี่ยนะสมมุติว่าคนเข้าใจว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอัตตาใช่ไหมไออัตตาตัวนี้ในอดีตมีหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นไอสงสัยแบบนี้ก็คือสงสัยด้วยอำนาจสงสั ย, ยสงสัยแบบศาสตาที่ถีนั่นเองใช่ไหม ว่าไอ้อตตานในอดีตเนี่ยมีหรือเปล่านาะหรือไม่ได้มีหรือว่ามันเกิดขึ้นลอยๆว่า้นเขาบอกว่าทําไมอ่ะปุตุชนยังคิดอย่างนี้ก็บอกว่าภาระปุตุชนมีพฤติกรรมคุ้มดีคุมร้ายเหมือนคนบ้าที่คิดอย่างนี้นะอัตถิถาท่านว่า ง, งั้นนะที่ที่นั่งคิดแบบนี้เอ๊ะในอดีตการเรามีหรื อ, รอไม่ได้มีเนาะของมาเนี่ยเป็นอยู่นานกันนะ เราเป็นยังไงวะที่แล้วไม่รู้อะตอนนั้นก็ว่าบ้าตึกตาทํามาแล้วเพิ่งรู้นั่งสงสัยอยู่ตั้ง น, นั้นมามาทําอะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมันเป็นอะไรนะสมัยที่แล้วเนี่ยยังไงกันแน่สงสัยอยู่นานเนี่ยไม่ได้สงสัยอยู่เป็นวันๆนันสงสัยอยู่หลายเดือนอ่ะกว่าจะหมดไอความคิดอันนั้นได้ไอที่หมดก็คือเลิกคิดอ่ะความคิดแล้วมันก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากขึ้นเลก็ทําไม่ได้วิจิกิจฉาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสงสัยหนักขึ้นหนักขึ้น หรื อ, อย่างหนึ่งนี้อโยนิโสมนสิกานั่นเองเป็นเหตุในเรื่องนี้เพราะอโยนิโสะนะทำให้คิดอย่างนี้เนี่ยนะอะโยนิโสนี้เป็นอย่างไรอโยนิโสนี่อยู่หน้าน ะ, ะในหน้าสิบแปดนะดูนะที่ปุตุชนมาคิดในลักษณะนี้เนี่ยเพราะอโยนิโสนั่นเองคือยังไงคือการใส่ใจโดยไม่ถูกอุบาย โดยไม่ถูกทางกล่าวคือการทําให้ในใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาหรือการนึกการน้อมนึกการผูกใจการฝ่ายใจการทําให้ในใจถึงความคิดโดยนัยที่กลับกันกับสัจธรรมเพราะฉะนั้นที่คิดแบบนี้เนี่ยนะคือความคิดที่ตรงกันข้ามกับอริยสัจนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอความเห็นผิด หรือความคิดที่เกิดขึ้นตรงกันข้ามกับอริยสัจนั่นแหละทําให้เกิดความคิดว่าเออเราได้มีหรือเปล่านอ้อในอดีตการเนี่ยนะนึกถึงเออเมื่อชาติสองชาติสามชาติถอยหลัง เ, เป็นยังไงนะะมีหรือไม่มีกันแน่อ่ะถ้าสงสัยว่าเอ๊อได้มีแล้วอันนี้เป็นอะไรศาสถาที่ิหรือไม่ได้มีให้รู้ว่าเกิดมาชาตินี้เราเกิดมาลอยลอยมันเป็นอย่างไัหรือเปล่ามันเกิดมาลอยลอยอคนสรรคนสร้างคนเศษคนเป่ามาหรือเปล่าเนี่ย ก็สงสัยไปเรื่อยเน่ น, นะถามว่าจริงไหยความคิดเนี่ยจริงแต่เรื่องคิดไม่จริงหรอกก็คิดไปเรื่อยนั่แหละความคิดนั่นหละได้ปัจจัยนะอะไรเป็นปัจจัยแห่งความคิดอย่างนั้นอะโยนิโสนั่นแหละอโยนิโสมีอะไรเป็นอาหารไม่มีศรัทธาเป็นอาหารของอโยนิโสนี่นนะเออเนี่ยนะเพราะไม่มีศรัทธาแท้เลยนะต้องนั่งคิดอย่างนี้ แล้วไม่มีศรัทธามีอะไรเป็นอาหารไม่ฟังสัตยธรรมให้บริบูรณ์เป็นอาหารทําไมจึงไม่ได้ฟังสัตยธรรมไม่ได้คบสัตบุรุษเนาะเพราะเราไม่ได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าจริงๆเราเลยอดฟังธรรมไลยนะถ้าหากว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจริงๆนเนี่ยนะคือไม่ต้องมาฟังตรงนี้ก็ได้ผู้ใดสา ม, มารถกล่าวเป็นธรรมเราอยู่ที่ไหนเราก็ฟังได้หรือเราไปไหนเราก็เอาพระไตรปิฎกไปได้ ถ้าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจริงๆนะอยู่ที่ไหนเราก็ฟังธรรมตลอดอยู่ที่ไหนเราก็มีคําสอนไปด้วยนะยิ่งสมัยนี้สบายเราอยากชอบสูตรไหนนะทยเอกสารไม่ถึง5้าบาทเลยนะถ้าสูตรสองสูตรเนี่ยไม่ถึง5บาทนะาสิสบาทหลับต า, าด้วยโยอ้ยอาราธนาไปอย่างดีจําแม่นด้วยนะถ้าเปิดดูเมื่อไหร่ยังเหมือนเดิมเลยนะถ้าไม่ถูกน้ําเปื้อนเละซะก่อนเพราะว่าที่จริงนะถ้าถ้าเรามีศรัทธาอีกหน่อยนะมีศรัทธาเพิ่มกว่านี้อีกนิดนึง ทำให้เราไปที่ไหนเราจะไม่ขาดพระธรรมเลยนะไปที่ไหนเราก็จะมีพระธรรมติดตัวไปด้วยทําให้สบายไปเยอะแต่ถ้าหากว่าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งเนี่ยนะลาบากแล้วนะนะชวนะมีโทษหรือไม่มีโทษนะแต่ถ้าไม่มองว่าชาวนะเหมือนกับอริยทรัพย์เนี่ยเหมือนกับทรัพย์นะนั่นก็ยากเหมือนกันถ้าหากว่าเห็นชาวนะมีค่าเหมือนกับทรัพย์ในกระเป๋าเราเนี่ยนะเหมือนนั้นเราจะรักษาดีมากเลยแต่ที่นี้ว่าทํำยังไงนะจะเห็นอย่างนั้น ก็ศึกษาเรื่องกรรมมากมาก น, นะมองเรื่องกรรมให้ออกแล้วก็ต่อไปก็จะหวงความคิดและจะไม่คิดเรื่อยเปื่อยแล้วถ้าเมื่อก่อนเนี่ยนั่งคิดเป็นอกุศลสักครึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นไรเนี่ยไม่เสียหายอะไรตอนหลัง อ, อกุศลน่งชั่วโมงหนึ่งถ้ามันให้ผลนี่ไปเกิดที่ไหนเนี่ยโหตื่นตัวขึ้นมาทันทีก็กลัวบาปกลัวอกุศลนะ้ก็จะไม่ปล่อยความคิดที่เป็นบาปให้เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าความคิดที่เป็นบาปเกิดขึ้นแล้วใครเป็นคนรับะ พระพุทธเจ้าบอกว่าบรญประชิตควรพิจารณาเนืองๆว่านะเรามีกรรมเป็นของของตนเหมือนกันมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเหมงอนนเพราะฉะนั้นเนี่ยบัญประชิดให้พิจารณาอย่างนี้คารวะไม่พิจารณาก็ไม่เป็นไรถามว่าทําไมปุตชชนจึงคิดอย่างนี้บอกกันเพราะอายนิโสมนัสิการเป็นเหตุทีนี้เขาทั้งคำถามว่า เอาอะไรเป็นเหตุแห่งอโยนิโสมนาสิกานล่ะตอบว่าความเป็นปุตุชนนั่นเองความเป็นปุตุชนนั่นแหละเขาจึงมีอายโยนิโสหรือกิจอันมีการไม่เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นต้นเป็นเหตุคือเขาไม่เห็นพระอริยะใช่ไหมเมื่อไม่เห็นพระอริยะเขาจึงไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้เมื่อไม่นั่งใกล้ก็ไม่เงียโสดลงเมื่อไม่เงียบโสดลงก็ไม่ได้ฟังธรรมเมื่อไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่ทรงจําเมื่อไม่ทรงจําก็ ขาดการพิจารณาเป็นต้นเมื่อไม่พิจารณาก็ไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธาก็อโยนิโสก็จะเกิดขึ้นก็คิดไปตามภาษาเราเนี่ยแหละเรียนธรรมะแล้วนะถ้าเราคิดเท่าเหมือนเดิมแบบที่เราเคยคิดเมื่อก่อนยังไงนะแล้วศึกษาธรรมะแล้วก็คิดได้คิดได้เหมือนเดิมนะฉลาดเท่าเดิมเนี่ยแต่แดงว่าโอ้โหแย่ yeah. <c oughs> เสียหายมากมายมหาศาลเลยกอ <c oughs> สมมุติว่าเอา้าเห็นใบไม้ร่วงแล้วนะเรียนธรรมะกับตอนนี้ไม่เรียนธรรมะแล้วก็เห็นแล้เอก็ คิดเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแสดงว่าใครเป็นครัวาจานเนี่ยก็ น, น่าพิจารณาแล้วนะควรลาออกได้แล้วเมื่อไหร่โยมเป็นอย่างนั้นก็ช่วยบอกเลยนะ <c oughs> ถามว่าอ้าวก่อนแม่ปุตุชนย่อมใส่ใจโดยแยบคายเอาปุตุชนก็คิดมีโยนิโสเหมือนกันนะไม่ใช่หรือนะหรือใครเล่ากล่าวอย่างนี้ว่าปุตุชนไม่ทำใจ โดยแยบขายบางงันเถอะก็บอกว่าอา้าปุตุชนนี่เขาก็มีโยนิโสเหมือนกันนะที่บอกว่าเอา้ปุตุชนเนี่ยที่เขาคิดแบบนี้เพราะเขามีอโยนิโสเอาปุตุชนเขาก็มีโยนิโสเหมือนกันเขาว่าเอาแล้วใครบอกว่าปุตุชนไม่มีโยนิโสล่ะแล้วลท่นานอธิบายว่าความเป็นปุตุชนไม่เป็นเหตุสําคัญในข้อนั้น กรรมคือการฟังธรรมและความมีกาลยานามิตรเป็นต้นต่างหากที่เป็นเหตุสําคัญในข้อนี้นะสำคัญที่เขาไปปล่อยความคิดของเขาเนี่ยนะปล่อยใจให้เป็นบาป ท, ที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่ได้ฟังธรรมมาเขาเลยไม่รู้อะไรควรคิดไม่ควรคิดเขาไม่ได้อยู่ในเวทวงของกาลยานามิตรคือถ้าเขาอยู่ในสังคมที่กาลยานามิตรดีๆจริงๆเนี่ยนะเขาจะตื่นตัวมากนะยกตัวอย่างถ้าถ้า อยู่ในชีวิตสมณะเนี่ยจะรู้เลยว่าบางครั้งเนี่ยไปอยู่บางแห่งเนี่ยนะเราตื่นตัวค่อนข้างมากคิดเป็นอกุศลอยังไม่กล้าเลยนะตื่นตัวมากที่จะให้คิดเป็นกุศลเนี่ยนะพยายามที่จะคิดคําสอนมากขึ้นมากขึ้นไม่ปล่อยจิตปล่อยใจคิดไปเรื่อยเปื่อยเหมือนเดิมละเพราะอาศัยคนรอบข้างเนี่ยช่วยเราค่อนข้างมากเพราะกาลยานามิตรเนี่ยเกื้อกูลมากยกตัวอย่างนะวันนี้เราใจคองหงุดหงิดเอ๊ะคนดินเขายิ้มแย้มแจม่มใสเขาขทนทานธรรมะ เรามันหงุดหงิดอยู่ได้คนเดียวได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมเหตุโอตา ป, ปาก็เป็นเป็นเหตุให้เกิดเพราะฉะนั้นสังคมสิ่งแวดล้อมรอบข้างนั้นมีความสําคัญมากต่อการเกิดขึ้นของกุศ ล, ลจิตเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าสังคมสิ่งรอบข้างไม่ดีทําไงะนะถ้าถ้ารอบตัวเรามีแต่เชื้อโรคหมดเลยทําไงก็สร้างภูมิคุ้มกันให้มันดีขึ้น อ, ะอ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะทำยังไงที่ใจเราจะมีภูมิคุ้มกันมากๆขึ้น เพราะเราเราไปตรองเรียกหากาลยาณมิตรคงยากเลยนะยุคนี้นะว่าเอ๊ใครนะเกื้อกูลให้จิตเราเป็นกุศลมั่งคงยากแล้วเพราะว่าเราเนี่ยร้องเรียกหาแต่ให้คนอื่นเขาเกื้อกูลให้เราเป็นกุศลแล้วเราอะเกื้อกูลให้คนอื่นเป็นกุศลมั่งหรือเปล่าเราก็ต้องคิดอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคิด้วันนี้เราทําให้ใครโกรธบั่งหรือเปล่าอย่งเี้เราทําให้ใครมีโลภหรือทําให้ใครมีโมหะหรือเราเนี่ยชักชวนเข้าในเรื่องบาปเรื่องอกุศลหรือเปล่านี้เราก็ทบทวนในลักษณะนี้ด้วยส่วนหนึ่ง ไม่ใช่ร้องเรียกหาแต่คนดีเลยนะแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่ดีจริงๆเนี่ยนะคนดีเขาไม่อยู่ใกล้เราเหมือนกันนะที่พระมหาโมคัลานะท่านบอกอ่ะคือถึงถ้าตัวเองเนี่ยเป็นคนขี้โกรธมักโกรธเป็นต้นเนี่ยถึงไปปวารณาให้คนดีๆเขาตักเตือนเขาก็หมาเตือนอยู่แล้วเพราะอะไรเขากลัวโทสะเพราะงั้นแต่เขาเห็นเนี่ยนะเขาบอกจริงๆมิตรที่ที่เป็นคอยตักเตือนได้เนี่ยบางทีเขาเห็นแรงของโทสะของเราแล้วเขากลัวแล้วเขาไปใกล้ๆเดี๋ยว เมตตาจิตซึ่งมันน้อยอยู่แล้วจะเหือดแห้งไปก็เลยไม่กล้ า, านนะเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาทบทวนเพราะฉะพระองค์จึงบอกว่าเตื อ, ตอน ต, อ น, ต, อ น, ตอ น, นั่นแหละสำคัญที่สุดเลยนะใจเราเตือนใจเรานั่นแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นความที่เราไม่ได้ฟังธรรมไม่มีกัลยาณมิตรเนี่ยนะไม่มีจักสีนั่นเองเป็นเหตุให้อกุศลธรรมเกิดนะ <c oughs> จักสีหนึ่ง <c oughs> อยู่ในประเทศที่สมควรใช่ไหมสอง ศัตว์บรุษ3ฟังธรรมของศัตว์บรุษส่โยนิโสมนสิการะอ น, นี้จากสี่ซึ่งเป็นเหตุให้กุศลจิตเกิดขึ้นถ้าหากว่าปัจจัยเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นกุศลก็ไม่เกิดก็บอกว่าความจริงตามปกติของตนนะตามปกติของปุถุชนส่วนใหญ่นะจะเป็นอกุศลเหมือนกับตามปกติของสัตว์มีปลาและเนื้อเป็นต้นตัวปลาตัวเนื้อเนี่ยนะ ไม่ได้มีกลิ่นหอมปลาจริงๆเนี่ยนะตัวปลาเนี่ยกลิ่นไม่หอมนะถ้าหากว่าใครเดินผ่านกระจารปลาเนี่ยนะโหกลิ่นเนี่ยขาวขคราครุ้งเลยแต่กลายเป็นสัตว์ที่มีกลิ่นหอมได้เพราะมีเครื่องปรุงแต่งเป็นปัจจัยแต่ทําไมพอมาอยู่ในชามเข้าเนี่ยหอมกลุ่นไอ้ที่หอมไม่ใช่ปลาหอมแต่อาศัยเครื่องเทศเป็นต้นนั่นแหละเกี่ยวเนื่องมาทําให้เนื้อทําให้ปลาเนี่ยหอม ปุถุชนก็ลักษณะนั้นปกติเนี่ยนะถ้าปล่อยตามธรรมดาของปุถุชนนะจะต้องคิดเป็นอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อาศัยการฟังธรรมอาศัยกาลยานามิตรเป็นต้นนั่นแหละเป็นเหตุให้ให้กุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดที่จะทำให้จิตเป็นกุศลนั้นก็คือหาปัจจัยเนี่ยนะะคนที่หาปัจจัยได้นั่นแหละสามารถที่จะทำกุศลจิตให้เกิดขึ้น เพราะเขารู้ปัจจัยของเสียงนะเขาจึงแต่งเสียงให้เป็นเครื่องดนตรีได้คุณเจ้าอมพูดดีนะเขาบอกว่าเขารู้แต่เรื่องปัจจัยของเสียงนะเขาจึงทําระนาดได้เหมงอนกันระนาดได้มาตีแต่ละอันเนี่ยเสียงไม่เท่ากันนะแล้วก็ตีได้เพราะเพริ้งนะเขารู้ปัจจัยเนี่ยนะที่จริงความคิดเนี่ยนะธรรมะมีภาษะเป็นที่ห้ามันก็เหมือนกับเสียงนั่นแหละตัวจิตนะจิตเนี่ยเหมือนกับเสียงน ะ, ะยกตัวอย่างเช่นโสตะทวารวิถีที่เกิดขึ้นโสตะทวารวิถีไม่ได้เกิดอยู่ตลอดนะ ได้ปัจจัยคือหูเสียงแสง อ, อากาศมนาสิการโสตวิญญาณโสตทวารวิถีก็เกิดพอหมดปัจจัยเขาก็หมดอีกละไอวิถีจิตอันนี้ก็ไม่เกิดทีนี้ทํำยังไงว่าวิถีเนี้ยกูศลจิตจริงจะเกิดก็แต่งที่ไหนแต่งที่หูเออหูได้แล้วแต่งเสียงไงไปรับเสียงบางอย่างกูศลจิตเกิดฟังเสียงบางอย่างโทสะเกิดฟังเสียงบางอย่างโมหะเกิดฟังเสียงบางอย่างโลภะเกิด ฟังเสียงบางอย่างอุเบกขาเกิดฟังเสียงบางอย่างโสมนัสเกิดมันก็แล้วแต่อนุภาพของเสียงด้วยเหมือนกันนะถ้าเราเข้าใจปัจจัยของของโศตทวามิถีเราก็หาปัจจัยที่ดีๆให้เนะี่ยยกตัวอย่างเราก็ฟังวิทยุอยู่แล้วใช่ไหมก็หาคําสอนมาฟังแทนนะเพราะว่าเทพที่เป็นพุพธทธพจน์สมัยนี้ก็เยอะแยะก็ฟังพุทธพจน์แทนแทนที่จะให้ไปไปฟังเรื่องอื่นๆทั่วไปที่ไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์มากนะ หรือว่าแทนที่เราจะเห็นสีอย่างอื่นล้วก็อ่านคาสอนซะอะไรมันก็แต่งได้นะจากคุูทวารวิถีเป็นต้น ก, ก็แต่งได้เพื่อที่จะให้รับวิบากเพื่อที่จะให้ชวนาที่ดีๆเกิดขึ้นแต่อย่าลืมนะว่าคนที่ปล่อยความคิดก็เหมือนกับปล่อยชีวิตทั้งชีวิตนั่นแหละเพราะว่าชีวิตทั้งชีวิตนั้นเป็นไปตามอนุภาพของความคิดนะก็แล้วแต่ความคิดแล้วพระองค์บอกว่านะจิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยมีโทษยิ่งกว่า โจรโจกเจอโจรโจกเขาว่ากันเขาบอกว่ามหาโจรเจอมหาโจรเนี่ยนะจะไม่มีคําว่าปราณี น, นะต่างคิดแตจะห้าหั่นเข้นฆ่าซึ่งกันและกันโดยที่ความปราณีไม่มีแม้แต่นิดเดียวจิตที่ตั้งไว้ผิดมีโทษยิ่งกว่านั้นนีกนะถามว่าตั้งไว้ผิดตั้งไว้ยังไงก็คือไม่ตั้งเพื่อจากไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาไม่มีศีลให้มีศีล ไม่มีสุตตะไม่มีจาระฆไม่มีปัญญาเป็นต้นไม่ตั้งให้กุศลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดหรือบางแห่งบอกว่าตั้งเพื่อวัตตาตั้งจิตไว้เพื่อวัตตานั้นก็ชื่อว่าตั้งไว้ผิดอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นทำยังไงอ่ะตั้งให้มันถูกคือตั้งที่ไม่มีกุศลให้กุศลจิตเกิดขึ้นเพราะนั้นอาการที่สมาทานตรารบเนี่ยนะก็เป็นเหตุให้กุศลจิตเกิดขึ้นได้ เราจําได้นะสมัยที่เราเรียนเรื่องประมาทสัจจะพูดถึงมหากุศลมีสีดอกไม้เป็นอารมณ์เห็นไหมถามว่าทําไมกุศลจิตจึงเป็นโลภเออเป็นโสมนั ส, เ, น ส, นสเพราะวัตถุหรืออารมณ์ดีเนี่ยนะสุภาพนิมิตอันนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยให้โสมนัสเกิดเอาแล้วสุภาพนิมิตมันเป็นอารมณ์ปัจจัยของโลภไม่ใช่หรือใช่ ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยของโลภะแต่นี้ตั้งใจไว้ตั้งใจที่จะเอาดอกไม้นี้เป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะเอาเป็นเครื่องสัการะเครื่องบูชาอันก็รู้ว่าดีแต่ก็น้อมใจไปเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมหากรุสุนจึงเกิดขึ้นโดยที่มีดอกไม้เป็นต้นเป็นเป็นอารมณ์และก็เวทนาเป็นโสมนัสเวทนา <c oughs> เอาทีนี้ต่อไปนะว่าข้อสามเนี่ยนะข้อหนึ่งว่าไงนะข้อหนึ่งก็บอกว่าอดีตการอันยาวนานเราได้มีแล้วหรือไม่ได้มีอันนี้เท่ากับพูดสองข้อแล้วนะอันนี้เท่ากับเรียนวิจิกิจชาสิบหกอย่างเนี่ยนะนี่แหละ ว, วิจิกริชาสิบหกที่เขาอ้างทั่วไปก็ยกจากข้อความในสูตรนี้แหละไปเนี่ยนะข้อความเด่นๆนเนี่ยนะมีอยู่สองสูตรตรงนี้กับในมหาตันหาสังคยสูตรเนี่ยนะแล้วก็วิสุตรที่มักเป็นต้นก็จะอ้างอ้างข้อความนี้ไป นะครับทีมัธสังหะก็จะอ้างข้อความเหล่านี้ไปนั้นเราก็มาที่ต้นตอเลยแล้วก็ความสงสัยข้อสามเป็นยังไงเราได้เป็นอะไรมาเนาะสงสัยว่าเราเป็นอะไรมาคือสงสัยว่า อ, อดีตชาติเนี่ยนะเราเป็นกษัตริย์หรือเปล่านะ้อนะหรือว่าเป็นพรามหรือว่าเป็นแพทย์เป็นสูตรชาติที่แล้วได้บวชหรือเปล่านะเป็นครือข่หรือเป็นบรรชิต สงสัยยังไงหรือเปล่าสามัญณ mm. ชาติที่แล้วบวชหรือเปล่าเนี่ย mm. เป็นบรรณชิตเอ๊หรือเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นพรหมหรือเปล่าสงสัยแบบนี้เขาเรียก mm. ว่าเราได้เป็นอะไรมาเนออันเนี้ยสงสัยแบบที่สามสงสัยในเรื่องของภพภูมิที่เกิดอ่นะแล้วก็สงสัยในเรื่องเพศชาติชั้นบรรณะนั่นเองแล้วทีนี้สงสัยอย่างที่สี่บอกว่าเราได้เป็นอย่างไรมาเนอะนะโน้ตโน้ตไปด้วยนะเป็นตัวเลขจะได้กําหนดหัวข้อได้ เราได้เป็นอย่างไรมาหนอก็คืออาศัยชาติกําเนิดนั่นแหละก็เลยสงสัยว่าเอ้เราได้เป็นกษัตริย์แล้วจึงได้มาเป็นพราหมณ์หรือเปล่าเออสมมุติว่าชาติที่ก่อนโนนเราเป็นกษัตริย์ใช่ไหมเอ้ตายจากกษัตริย์มาเกิดเป็นพราหมณ์หรือว่าตายจากกษัตริย์มาเกิดเป็นสูตรเอ้ตายจากกษัตริย์มาเกิดเป็นจันทานอะนะสงสัยความเป็นไปอย่างนี้เรียกว่าสงสัยว่า เราได้ได้เป็นอย่างไรมาหนอแล้วก็สงสัยว่าเราได้เป็นอะไรแล้วจึงมาเป็นอะไรอีกหนอเห็นไอที่จริงขออภัยนะข้อ4เนี่ยบอกว่าเราได้เป็นอย่างไรมาหนอเนี่ยท่านอธิบายว่าคือสงสัยที่สวดทรงสันฐานเนี่ยนะสงสัยว่าเอ๊ชาติที่แล้วเป็นคนสูงเป็นคนต่ำเป็นคนเตี้ยเป็นคนดำเป็นคนเขาเอ๊เป็นคนขนาดพอดีเอ๊หุ่นเป็นยังไงเนาะสมชาติที่แล้วเนี่ย ให้เป็นคนที่ได้ขนาดหรือไม่ได้ขนาดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะถ้าถ้าสมัครทหารนี่เขาจะรับหรือเปล่ามนุชาตินั้นอ่ะเนะเาะก็สงสัยในลักษณะนี้หรืออาจารย์บางพวกย่อมกล่าวว่าปุตุชนอาศัยเหตุการณ์เนรมิตของพระอิศวรเป็นต้นแล้วสงสัยโดยเหตุว่าเราได้มีแล้วเพราะเหตุอะไรนาะเอ๊พระอิศวรเนี่ยท่านเนรมิตเราเป็นยังไงนาะว่างั้น แล้วก็ส่วนข้อห้าก็คือสงสัยว่าเอจากชาตินั้นไปสู่ชาตินั้นจากตระกูลนั้นไปสู่ตระกูลนี่เป็นยังไงนะนะดูเหมือนดีนะถามว่าดีไหมความคิดแบบนี้ดีไหมไม่ดีนะนี่เป็นวิจิกิจฉานะบาปนะใครคิดมากบาปมากคิดน้อยบาปน้อยนะนําเกิดได้นะความคิดอันนี้นําปฏิสนธิได้เนี่ยนะนำปฏิสนธิไ ด, ได้ขอมากก็เคยโอ้เมื่อก่อนเนี่ยเคยนานด้วยนําเกิดได้นะเนนะครบ ก็บอกว่าวิจิกิจช้าเนี่ยนาปฏิสนธิได้เนี่ยนะให้ผลปฏิสนธินาบายได้ใครปลยให้ความคิดแบบนี้เกิดมากๆกก็ออย่าไปแช่งใครเลยทีนี้สงสัยเนในอนาคตบแบ่งเป็นกลุ่มแรกได้แล้วนะความสงสัยในอดีตหอย่างทีนี้ก็บอกว่าสงสัยในอนาคตอีกกลุ่มหนึ่งแล้วนะสงสัยในอนาคตการอันยาวนานว่าหนึ่งเราจักมีหรือจักไม่มีหนอ ข้อหนึ่งก็คือเราจักมีหรือหรือว่าจากไม่มีเนอเนี่ยสองข้อละท่านนี้ข้าก็แสดงสองข้อก็คือสงสัยว่าตัวนี้จะมีหรือไม่มีในอนาคตเนี่ยสงสัยว่าเออเราจะมีหรืออันนี้สงสัยด้วยอํานาจของสัสตตตถทิฏฐิใช่ไหมมันมีหรือมีเอ๊ ม, มีมันจะเป็นมีนะมีหรือไม่มีถ้าบอกถ้าไม่มีเป็นอุเฉททิฏฐิถ้ามีเป็นสัสตตตถทิฏฐิ จะไม่ให้เราคิดได้ยังไงเนาะมันอยากคิดอะเมื่อก่อนอ่านตรงนี้แล้วไอ้ที่ถูกเป็นยังไงเนี่ยยางงั้นก็ผิดไอย้ยางงี้ก็ผิดแล้คิดก็ไม่ถูกว่างงไปหมดเลยนะธรรมะ น, นี่ทาไมยากขนาดนี้นะไอย้ยางงั้นก็บอกว่ายิ่งอ่านเอพ ม, มา่าชาลสูตรเนี่ยนะไอเราบอกว่าศูนย์เขาก็บอกมิจฉาทิฏฐิบอกเที่ยงก็มิจฉาทิฏฐิหรือนั่นเป็นของเราเมิจฉาทิฏฐิอีกไอมัจะเอาอยัางไงกันแน่ โอ้ยจริงๆกันหน้าตั้งฟ้านกันนะไม่มีพื้นฐานเรื่องขันห้าเรื่องธรรมะเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาก่อนนะลําบากเหมือนกันแต่ที่จริงสมัยโบราณนี้เวลาเขาเขาฟังเขาอ่านในส่วนใหญ่เขาเสร็จมีอาจารย์เนี่ยนะเขาก็จะแนะนํามีผู้รับการชี้แจงว่าไอ้ที่ถูกมันเป็นยังไงเขาก็จะชี้แจงให้เราเห็นด้วย แต่ทีนี้เราเนี่ยอาศัยว่าตําราเราเก่งภาษาไทยแล้วใช่ไหมอ่านภาษาไทยออ ก, กจะไม่ยากอะไรไม่ต้องพึ่งใครสักอย่างอ่านแล้วก็สงสัยไปหมดนเ่ยแหละแต่ดีว่าไม่เลิอกอ่านถ้าเลิอกอ่านปัจ น, นี้อาจจะมิจฉาทิฏฐิไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เ <c oughs> นี่ยนะเขาบอกว่าเรียนไม่จบไปอย่าเลิกนะเป็นพระโสดาบันก็ยังดีค่อยเลิกพระโสดาบันเมื่อไหร่ก็พอละคือไอ้อบายเนี่ยไม่ไปแล้วพอละทีนี้ต่อไปนะที่บอกว่า เราจักมีอันนี้สัตตะหรือจักไม่มีอันนี้เป็นอุเฉ ท, ทะทีนี้ข้อสามข้อสามว่าเราจักเป็นอะไรหนอนะก็อบอก เ, อเราจักเป็นอะไรหนอเนี่ยนะก็คือสงสัยยังไง ก็คือจะเป็นชาติอะไรเป็นต้นนะนะก็คือเกิดชาติหน้านี่จะไปเป็นอะไรนะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรหรือจะไปเป็นอะไรนะก็สงสัยในลักษณะนี้แหละเอ้เราจะเป็นยังไงนะชาติหน้าเนี่ยนะสูตรทรงรูปร่างชาติหน้าจะงามเท่าชาตินี้หรือเปล่าเนาะสงสัยลักษณะนี้แหละกสี่เนี่ยนะเราจะเป็นอย่างไรเนาะกห้าก็บอกว่าเราเป็นอะไรแล้วจะเป็นอะไรอีกนาะ เอ๊หรือว่าเอ้เราชาติหน้าเนี่ยนะเอ๊จะไปเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเป็นกษัตริย์เอ๊ตายจากกษัตริย์จะไปเกิดเป็นอะไรต่อสมมติว่าชาติหน้าไปเกิดเป็นเทวดานะโห้ไปอยู่ดุสิตเลยสมมติดุสิตเอ๊ถ้าตายจากดุสิตจะไปเกิดที่ไหนต่อโอ้มาลงมาดาวดึงเอจากดาวดึงจะไปไหนต่อน้ออย่างไงี้ยก็สงสัยไปเรื่อยนี่แหละเขาเรียกว่าสงสัยว่าเนี่ยนะเราเป็นอะไรแล้วจากเป็นอะไรเนาะวังอ้นอันนี้ห้าข้อนะ ปัจจุบันอีกห้าข้อแล้วก็ปัดไม่ใช่ขออภยัยอนาคตห้าข้อปัจจุบันอีกหกข้อปัจจุบันหกข้อก็คือสงสัยภายในตัวสงสัยในตัวที่กําลังมีอยู่นี่แหละปรารดปัจจุบันการกล่าวว่าเรามีอยู่หรือไม่มีหนออันเนี้ยข้อหนึ่งก็คือเรามีอยู่ข้อสองหรือไม่มีเนาเห็นไหมคือปุตุชนนั้นสงสัยที่ว่า ตนมีหรือไม่มีเนี่ยนะเขายกตัวอย่างเหมือนกับว่าได้ยินว่าคนจับปลาคนหนึ่งเนี่ยนะเขาคิดอขอภายข้อแรกก่อนนะก็บอกว่าปุถุชนนี่คิดสงสัยสังขารว่ามีเรื่องดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างได้ยินว่าลูกของแม่เล็กโกนหัวส่วนลูกของแม่ใหญ่ไม่ได้โกนหัวพอลูกของแม่ใหญ่นั้นหลับพวกญาติทั้งหลายจึงช่วยกันโกนหัว ลูกแม่ใหญ่นั้นพอตื่นขึ้นมาก็คิดว่าเออเราเป็นลูกของแม่เล็กหรือลูกใครกันแน่วะเนี่ยเราสงสัยอย่า ง, งนี้นะฮะนะหรือที่สงสัยว่าได้ยินว่าคนจับปลาคนหนึ่งเนี่ยนะข้อสองคนจับปลาคนหนึ่งเนี่ยคิดเห็นขาของตนซึ่งเย็นเพราะแช่อยู่ในน้ำนานว่าเป็นปลาจับไปเออปลาแน่นอนเลยตัวใหญ่ด้วยนะ จึงได้จึงได้ตีอย่างแรงเลยนะหวดปพ๊บเข้าไปเนี่ยนะในปลาตัวใหญ่แล้ววันนี้หรืออีกคนหนึ่งเนี่ยนอนเฝ้านาอยู่ใกล้ป่าชารู้สึกกลัวก็เลยนอนขดนอนขดอย่างปี้เลยเขาตื่นขึ้นมาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเข่าของตนเนี่ยเป็นยักษ์สองตัวอูยักษ์มาทั้งสองตัวเนี่ยก็เลยไม้หวดเข้าไปปัป๊บคือบางทีเนี่ยนะถ้ามันชา้วมันจะรู้สึกใหญ่กว่าปกตินะร่างกายเนี่ยนะ นั่นแหละก็อยากมาตั้งสองตัวแล้วก็เลยถวดเข้าไปป้าบหนึ่งนะฉะนั้นเขาย่อมมีสงสัยว่าเอ๊หรือว่าเราไม่มีนะหรือไม่มีนะเราเป็นอะไรเนาะบางทีเนี่ยก็สงสัยเนี่ยนะข้อสามที่ว่าเราเป็นอะไรหนอก็คือสงสัยว่าเอ๊เขาเป็นกษัตริย์นะสงสัยในความเป็นกษัตริย์หรือว่าเขาบอกว่าผู้ที่เกิดเป็นเทวดาเนี่ยนะที่จะไม่รู้ไม่มี เนี่ยนะแต่ว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะบางคนเนี่ยเป็นกษัตริย์ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นกษัตริย์เป็นต้นเนี่ยนะเขบอกว่าถากมีคําถามว่ากษัตริย์เป็นต้นไม่รู้ความเป็นกษัตริย์เป็นต้นเพราะเหตุไรต่อว่าความอุบัติในตระกูลนั้นๆของกษัตริย์เป็นต้นเหล่านั้นไม่ประจักษ์แม้เครือข่าทั้งหลายมีโปรดธาติระเป็นต้นก็มีความสําคัญตัวเองว่าเป็นบรณฑิตเนี่ยนะมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งในมัชิมนิกานี่แหละ พระองค์ตรัสว่าครือบดีเนี่ยนะโหเขาโกรธมากเขาเนืกว่าเขาเป็นบนรรพชิตที่จริงเขาก็ไม่ได้บวชอะไรสักอย่างครับแต่เขาเขาสําคัญว่าเขาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับบ้านช่องห้องหอแล้วแต่ก็เป็นคารวาสนั่นแหละก็สาคัญว่าตัวเองนี่เป็นบนรรพชิตอย่างไงหรือว่าแม้บรรพชิตก็มีความสําคัญตัวเองว่าเป็นเครหัส่าโดยนายเป็นต้นว่า ก, กรรมของเรากรรมเริ่มหรือเนาะเออเราบวชมาเนี่ยบวชถูกหรือเปล่าเนี่ยสีมาวิบัติหรือเปล่า หรือว่าคณะสงฆ์พอหรือเปล่าเอ๊ะจานสวดถูกหรือเปล่านะสงสัยไปหมดสงสัยไม่เป็นพระละมั่งอย่างเงี้ยเนี่ยเรียกว่าสงสัยว่าเอ๊ะเราเป็นเป็นเป็นอะไรเนาะอย่างั้นเดเออสงสัยในข้อสี่นะเราเป็นอย่างไรเนาะส่วนที่บอกว่ากระถังนุโขสมิมีนัยยะดังต่อไปนี้ว่ากระถังนุโขสมิ น, นี้มีอธิบายว่าปุตชนเมื่อยึดถือว่า ในภายในมีแต่ชีวะล้วนๆเนี่ยนะข้างในเนี่ยนะมันมีไอ้ตัวหนึ่งนะมันสิงข้างใ น, นอ่ะเคยถือว่าเขาถูกเรียกวิญญาณถอดวิญญาณล่องลอยไปเหมือนกับตัวอะไรตัวหนึ่งเนี่ย น, นะมันอยู่ข้างในนั่นแหละก็พอสงสัยว่าเอ๊ะไอ้ตัวข้างในเนี่ยนะกายในหรือกายที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมีส้ดส่งยังไงนะดูสังข้องว่ะว่าใส่จะเงาะไว้ป่ะ เอ้ข้างในเจ้าเงาะนี่มันจะเป็นยังไงนะอย่างเงี้ยก็สงสัยแบบนั้นแนหะสงสัยว่าจะมีผู้ใดผู้หนึ่งอยู่ข้างในนั้นนะะไอตัวแท้ๆอันนี้เป็นเหมือนกับเงาที่แสดงออกมามีตัวแท้ข้างในอีกฟังนะเพลินก็เลยสงสัยว่าเออไอข้างในเนี่ยนะตัวในกายในของเราเนี่ยมันสูงหรือมันต่ํานะ <c oughs> หรือว่ารูปร่างเตี้ยสี่ส่วนหกส่วนแปดส่วนสิบหกส่วนเป็นต้นสงสัยรูปร่างข้างในเนี่ยนะ ข้างในนึกว่ามีพิเศษอะไรอยู่ข้างในเอ๊ตัวข้างในเราเป็นยังไงเนาะก็เหมือนคนบ้าจริงเลยนะคิดสงสัยไปทั้งหมดเลยไม่ได้ฉลาดอะไรสักอย่างเลยนะเนี่ยคิดนานๆนํานเกิดไม่ดีแนะ่ก็บอกว่าชื่อว่าผู้ที่ไม่รู้สันฐานในปัจจุบันไม่มีหรอกแต่ว่าสงสัยข้างในนั่นแหละเคิดบอกว่าเราเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็สงสัยในข้อห้าข้อหกว่าสัตว์นี้มาจากไหนหนอะและเขาจับไปไหนกันหนาะอันนี้ข้อห้าข้อหกนะ เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้มีอยู่6ข้อเวิจิกิชา16ก็คือสงสัยที่มาที่มาและที่ไปในอัตภาพเอ๊ะชาติที่แล้วมาจากไหนแล้วก็จะไปไหนต่อเนี่ยนะลักษณะนี้แหละในข้อ5ข้อ6นะสัตว์นี้มาจากไหนเราเนี่ยมาจากไหนเอ๊ะเราจะไปไหนต่อไปแต่ว่าพื้นฐานของความสงสัยเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนรู้ไหมทำไมจึงสงสัยแบบนี้ เพราะส ก, กายาิฐินั่นแหละสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นอัตตาแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของอัตตานั่นแหละก็วิจัยละคิดไปเรื่อยถามว่าที่ถูกเป็นอย่างไรก็ต้องถามว่าไอเราที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ใช่หมเราคือผมคือเล็บคือฟันคือหนังก็เริ่มมาหาปัจจัยของแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้ารู้ปัจจัยของแต่ละอย่างอย่างดีแล้ว ก็จะไม่สงสัยอย่างยกตัวอย่างสงสัยเรื่องจิตอย่างเงี้ยสงสัยเรื่องความคิดคิดเนี่ยความคิดเนี่ยตัวความคิดนี่มันเป็นอัตตาของเราก็มาเรียนเรื่องจิตว่าจิตคืออะไรใช่ไหมแล้วความคิดเนี่ยนะว่าทวารไหนถ้าความคิดทางมโนทวารเนี่ยที่คิดเนี่ยพื้นฐานอะไรจึงคิดได้ทุกๆความคิดของเราเนี่ยนะถ้าเรานึกถึงสูตรได้ไหมถ้าจะพูดถึงมโนทวารเราควรจะไล่สูตรยังไงก่อน อาศัยมโนโกับธรรมะธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามนะไม่ฉเฉพาะจะธรรมารมอาศัยมโนโกับธรรมะจึงเกิดมโนโวิญญาณมโนโวิญญาณคืออะไรคือความคิดนั่นแหละชวนะนั่นแหละความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภาษะเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาทีนี้ว่ามโนผวังของเราคืออะไรก็มาเรียนรู้เรื่องภวังให้ดีว่าผวังเป็นจิตชาติวิบาก เมื่อเป็นจิตชาติวิบากอะไรเป็นเหตุให้ผวังคจิตเกิดขึ้นผวังคจิตมีอะไรเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยก็ศึกษานะถ้าไม่เข้าใจดีก็เรียนมันเสารเอาเนาะวันเสาร์กำลังเรียนเรื่องนี้พอดีพอดีนะแล้วก็ธรรมะธรรมะที่เป็นทั้งธรรมอารมณ์ด้วยเจตสิกที่ประกอบกับมโนวิญญาณด้วยแล้วมโนวิญญาณคืออะไรบ้างเช่นมโนวิญญาณคือโทสะมโนวิญญาณคือโลภะมโนวิญญาณคือโมหะหรือว่ามโนวิญญาณคือมหากุศล นะทุกๆความคิดที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยก็มาวิจัย เ, ออเกิดจากเหตุอะไรบ้างเราก็จะรู้ว่าอาศัยมโนโกับธรรม ะ, รรมะเกิดมโนโวิญญาตหนึ่งความคิดที่เกิดขึ้นนะความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภาษะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานะตัณหาเป็นปัจจัยก็มีอุปาทานเพราะอุปาทานเกิดอะไรเกิดตเจตนาเป็นบุญเป็นบาปขณะนั้นแหละ ตัวนั้นแหะเรียกว่าภพภพอันนั้นเนี่ยนะเป็นอัอนนั้นเป็นกรรมภพเพรา ะ, ะเจตนาเหล่านั้นสามารถให้วิบากได้เรียกว่าอุปติภพนะวิบากของเจตนาเหล่านั้นเรียกว่าอุปาติภพกรรม น, นั้นถ้ามีกําลังแรงก็นําเกิดได้เป็นชาติชาติก็คือการเกิดบริวารของการเกิดคืออะไรชราพญาทิมรณะโสกะปริเทวะทุกโธมนัตและอุปาญาตสรุปว่าไง สรุปว่ากองทุกข์ทั้งมวลเกิดขึ้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ก็มาจากความคิดนี่นะโอ้กองทุกข์ตามมาเป็นพรูนเลยนะถ้าได้หัวขบวนตรงนี้แล้วจะรู้โอ้โหตามมาเป็นพรูนเลยนะก็มาจากความคิดหนึ่งความคิดของเรานั่นแหละพันรักษาความคิดให้ดีๆนะส่วนใหญ่จะให้พรอนะเออรักษาตัวให้ปลอดภยัยรักษาใจให้เป็นบุญขนาดผลของบุญยังแก่เหมือนทุกวันนี่เลยเนาะผลของบาปจะขนาดไหนเนาะ เพราะฉะนั้นอย่างนี้แหละปุตุชนเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดแต่ปุตุชนก็ก็คิดใช่ไหมพอคิดอย่างนี้แล้วอะไรจะเกิดก่อไปอีกพอสงสัยสิบหอย่างอย่างนี้แล้วนะในข้อต่อไปว่าเมื่อปุตุชนนั้นมนุิการโดยไม่เย็บคาอย่างนี้ทิฏฐิคือความเห็นผิดอย่างใดยอย่างหนึ่งบรรดาทิฏฐิหก็เกิดขึ้นสงสัยสิบหแล้วยังไม่พอนะยังต่อด้วยมิจฉาทิฏฐิอีกอ่า ในในฉบับสิบสิบเก้าสิบเอ็ดเล่ม น, นะไม่ได้แยกให้เห็นอย่างนี้หรอกฉบับนี้แยกให้เห็นเป็นหข้อแรกๆอ่านนี่หกมันเป็นยังไงนาะนะนะตัวเลขบอกหกเราไล่ไม่ก็ถูกเลยว่างั้นนะแต่ฉบับนี้แยกให้เห็นเลย <S <S ข้อที่หนึ่งบอกว่า <S <S ทิฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงโอ้เป็นทิฏฐิ ท, ที่มั่นคงมากนะพื้นฐานที่จากสงสัยนั่นแหละทําให้ทิฏฐินี้มั่นคงว่าอัตตาของเรามีอยู่ นะสําคัญว่าอัตานี่มีเลยทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเราไม่มีข้อหนึ่งเป็นสัสตตทิฏฐิใช่ไหมอัตตาเนี่ยมีอยู่นะบางคนบอกว่าทิฏฐิมั่นคงเลยว่าอัตตาของเราไม่มีอันนี้เป็นอุดเฉททิฏฐิก็สามก็บอกว่าทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยอัตตา น, นะจะอธิบายต่อไป ทิฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเราจักรู้สิ่งที่ไม่ใช่อัตตาได้ด้วยอัตตาก็หาบอกว่าทิฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาก็หบอกว่าอีกอย่างหนึ่งทิฐิเกิดมีแก่ผู้นั้นอย่างนี้ว่าอัตตาของเรานี้ใดเป็นผู้กล่าวอัตตาเนี่ยนะเป็นคนพูดอะอัตตานี่เป็นผู้รู้ใช่ไหม สเสวยผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วในอารมณ์นั้นๆอัตตาของเรานั้นอันนี้นั้นเป็นสภาวะที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาจัดดำรงอยู่เสมอด้วยสิ่งที่แน่นอนโอ้หมั่นคงมากไอตัวอัตตาตัวนั้นเนี่ยนะอันนี้พื้นฐานลัที่อัตตาเพราะฉะนั้นในข้อหนึ่งบอกว่าสัสธรที่ถิในบทว่าอัตตาของเรามีอยู่ ก็คือยึดถือว่าอัตราของตนเนี่ยมีอยู่ในการทุกเมื่อเลยเนี่ยอัตราเนี่ยมีอยู่อีกน้อนหรือบอกว่าทิฏฐิข้อที่สองก็คืออัตราของเราไม่มีเนี่ยนะอัตราของเราไม่มีชื่อว่าอุเฉ ท, ท, ทิฏฐิเพราะถือว่าสัตว์ไม่มีอยู่ขาดศูนย์ในภพนั้ น, น, น อีกอย่างหนึ uh ่งนะทิฏ uh ฐิข้อที่หนึ่งเนี่ยนะข้อหนึ่งว่าสัสตตทิฏฐิเพราะยึดถือว่ามีอยู่ในการสอัตตาเนี่ยมีอยู่ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันนะอดีตก็มีปัจจุบันก็มีอนาคตก็มีส่วนทิฏฐิที่ยึดถือว่ามีอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเชื่อว่าอุเฉททิฏฐิมีอยู่แค่นี้นะไม่ได้มีที่อื่นเลยหรืออันหนึ่งทิฏฐิข้อหลังชื่อว่าอุเฉททิฏฐิเพราะยึดถือในอดีตอนาคตว่าไม่มี เหมือนที่ทิของบุคคลผู้ยึดถือที่ ท, ทีว่าการบูชาทั้งหลายมีคี้เท่าเป็นที่สุดเห็นนะชีวิตของคนมีอะไรเป็นคี้เท่ามันก่อนนะมันก่อนโยมเข า, เอาของขามาเนี่ยเคยพักที่ป่าช้าสันติธรรมเมื่อสักแปดปีที่แล้วพักในป่าช้านะเสร็จแล้วเขาก็เอาเผาศพมันนะเผาศพขับเผาศเสร็จเนชาวมาเขาก็ชวนญาติๆกันมาเก็บเก็บก็บเก็ บ, ก, บ, ก, บกระดูก เอาไปใส่ครกเนี่เราแปลกใจไอ้ก็าทาอะไรเนี่ยมาใส่ครกตาให้ละเอียดแล้วก็ใส่พลูจุดตึม้มปลิวหายวัดหม ด, ดเออมีที่สุดแค่นั้นหรือเปล่าชีวิตเราแค่นั้นหรือเปล่าเห็นไหมโหเราก็นึกว่าเหมือนบ้านเราใช่ไหมบ้านเราเนี่ยเก็บกระดูกเอาไปใส่อย่างดี้เลยนะเก็บรักษาต่อไปอันนี้เขาเก็บเก็บมาใส่ครกแล้วโคลกละเอียด ป, ป, ป, ป, ป, ป, ปยนปะนปนปนเนอะแต่จุดใส่พลูนะั้นบออันตรทานหายวัดไปหมดเลยเป็นขี้ฝุ่นอแถวนั่นแหละต้นไม้งอ้ม ถามว่าชีวิตเรามีแค่นั้นหรือเปล่าใช่ไหมแสดงว่าปัจจัยก่อนตายเนี่ยมีเยอะนะเนีย่ยนะก่อนที่จะจิตจะจุติปฏิสนธิเนี่ยศึกษาเรื่องนั้นให้ดีถ้าศึกษาไม่เพียงพอก็จะอะไรหมดแค่นั้นแหละชีวิตนะหรือถ้าศึกษาไม่ละเอียดดีก็เอ๊ะอัตตาเนี่ยเดินออกจากกายไปแล้วเนีย่ยนะก่อนจะตายเนี่ยเอ๊ะอัตตาเนี่ยเอ๊ะออกทางปากออกทางหอูออกทางจมูกหรือออกทางหน้าผากกันแน่ มันออกส่วนไหนของกายเนี่ยวิญญาณเนี่ยตีเหมือนพระเจ้าปายาเสด้วยเอาใหญ่เลยเอาคนเนี่ยใส่ในตุ่มแม่ให้มันกอากาศหมดอากาศดาตายอะ่ะแต่ค่อยๆแงม้มนะเอาเอาแงม้มเอาเปิดค่อยๆเปิดฝาตุ่มมันนะดูวิญญาณมันจะออกยังไงรูปร่างอะไรแอบดูะนะไม่เห็นทักอย่างเลยนะเอ๊หรือว่าอัตตาเนี่ยนะมันมันสิงอยู่ยังไงกันแน่ แกก็เลยอยากลองดูอยากพิสูจน์ว่าอัตตาเนี่มันอยู่ข้างไหนยังไงเนาะแกก็เลยเอามีดมาค่อยๆแล่นะให้ให้ใ ห, ให้คือนักโทษนะนักโทษประหารอยู่แล้วทีนี้แกก็มีความคิดพี่เรีนเรนอยู่แกอยากรู้เรื่องอัตตาเนี่ยมันอยู่ยังไงกันแน่แกก็สั่งให้เพชฌฆาตเนี่ยค่อยๆปาดเนื้อแล่แล่เป็นๆ น, นี่แหละดูสิมันจะเป็นยังไงแกก็หาวิธีหาให้ตายในช่องกระจกดูที่วิญ ญ, ญาณมันจะออกทางไหนหาอย่างไงก็หาไม่เจอฮ ีนี้บุญบาปมีหรือเปล่าเนี่ยแกก็เลยตอนหลังแกก็ไม่เชื่อว่าบุญมีบาปมีอะไรมีทักอย่างในปายาสีราชนยสูรเนี่ยกล่าวดีนะทำให้พระพระกุมารกัสสะนี่แก้มิชาทิฐิประเภทอุเฉทา ท, ทิถิเป็นอย่างดีเลยเนี่ยน ะ, ะแล้วก็ในทิถิข้อที่ข้อที่หนึ่งคือสัสตานะข้อที่สองก็คืออุเฉ ท, ทะข้อสามว่า เมื่อปุตุชนยึดถือขันทั้งหลายโดยมีสัญญาขันเป็นประธานนะที่บอกว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยอัตตาเนี่ยนะคือยึดถือสังขาระคะสัญญาขันเป็นประธานว่านั่นอัตตาแล้วหมายรู้ขันที่เหลือด้วยสัญญาย่อมมีความเข้าใจว่าเราย่อมหมายรู้อัตตานี้ด้วยอัตตาคือสัญญาสาคัญว่าสัญญาสัญญาจิตสิกเนี่ยนะเป็นเป็นอัตตาอัตตานี้รู้อัตตา อันนีนะ้คือลักษณะของข้อ3ข้อ4ก็บอกว่าเรารู้จักสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาได้ด้วยอัตตานี้ก็คือปุตุชนเมื่อยึดถือสัญญาขันนั่นแล ว, ว่าเป็นอัตตาและยึดถือขันสี่นอกนี้ว่าเป็นอนัตตาสัญญาเนี่ยเป็นอัตตาอย่างอื่นเป็นอนัตตาแล้วหมายรู้ขันสี่เหล่านี้ด้วยสัญญาย่อมมีความเข้าใจอย่างนี้ว่าเราหมายรู้ สิ่งที่ไม่ใช่อัตตาเนี่ยนะหมายรู้อนัตตาด้วยอัตตาเนี่ยนะสัญญาเนี่ยไปสําคัญผิดส่วนข้อหบอกว่าอนัตตามานาวัอัตนานเมื่อปุตุชนนั้นยึดถือสัญญาขันว่าอนัตตาและยึดถือขันศีนอกนี้ว่าเป็นอัตตาสัญญาเนี่ยอนัตตาใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่เหลือเป็นอัตตาอย่างนีใช่ไหมเรารู้จักอัตตาด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาหัวงัน คือตัวเวทนาสังขารวิญญาณขันเนี่ยเป็นตัวไปรู้อัตตาว่าไเพราะฉะนั้นสัญญามีความเข้าใจอย่างนี้ว่าเราหมายรู้อัตตาด้วยอนัตตาบอกทิฏฐิทุกอย่างดังกล่าวมาจัดเป็นสัสตะทิฏฐิและอุดเฉททิฏฐิทั้งนั้นน่นะข้อหนึ่งข้อสองก็เป็นข้อหนึ่งอุสัสนะทิฏฐิข้อสออุดเฉทะส่วนข้อส4 5หบางอย่างเป็น สัตตะบางอย่างเป็นอุเฉทะนั่นเองแต่ก็คือมันสัตตะทิถินั่นแหละเน้นสัตตะนะถ้าถ้าสาสคัญว่ามีอัตตาอัตตานี้เที่ยงก็เป็นสัตตะถ้าอัตตาไม่เที่ยงก็เป็นอุเฉทะเพราะฉะนั้นแล้วก็ข้อ6ที่บอกว่าอัตตาของเรานี้เป็นผู้กล่าวให้พวกนี้เป็นสัตตะทิถินะนะข้อ6เนี่ยเป็นสัตตะทิฐิ เขาบอกว่าเป็นผู้บงการอธิบายว่าผู้ทํารจีกรรมอัตตาเนี่ยมันเป็นตัวทําให้พูดอ่ะใช่ไหมเขาบอกว่าอัตตาเนี่ยเป็นตัวรู้อัตตานี่เป็นตัวสเสวยเขาบอกว่าสเสวยอะไรสเสวยผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วในภพนั้นๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอัตตาเนี่ยเที่ยงล่องลอยไปจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยดูหนังเรื่องนกกระจาบสมัยเด็กๆอ่ะนกกระจาบใช่ไหมที่ ที่เขาอแสกวิญญาณออกจากกายอ่ะไปเรียนที่สำนักฤาษีเมืองตักกศิลาอ่ะสมัยเด็กๆอ่ะเคยไปดูอยู่แล้วก็ถอดวิญญาณเนี่ยนะมันมันมันมีเหมือนกับแสงสว่างวับวัวออกจากตัวไปสิงในเนื้อไงเนื้อมก็วิ่งได้แล้วไปสิงในนกแก้วเอานกแก้วก็พูดได้ไง น, นนะโอ้สมัยเด็กๆ ก, ก็คลั่งหนึ่งตั้งนานกันสรุปแล้วตอนนั้นเนี่ยเพี้ยนนะ เพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุตุชนผู้ประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชน์ผู้ยังไม่ได้สดับเนี่ยนะถูกทิฏฐิเนี่ยมัดไว้แล้วใช่ไหมเครื่องผูกในสังโยชน์ในเครื่องผูกผู้ยังไม่ได้สดับคือไม่ได้เรียนรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตแล้วก็ไม่พ้นจากกองทุกข ผู้ที่หมกมุ่นอยู่ด้วยกวับความคิดเนี่ยน ะ, ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะความคิดนี้เป็นทิฐิอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับป่าเลยนะมันรกมันทึบเนี่ยนะแก้ไขา ย, ยากจริงๆนะความเห็นเนี่ยในบรรดาสิ่งที่แก้ยากที่สุดก็คือความเห็นเนี่ยเรื่องทิฏฐิเนี่ยแก้ยากจริงๆนะถ้าหากว่ามั น, ม, นมันมั่นคงมากๆเลยนะแก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็แก้ไม่ได้ถ้าใครปล่อยให้ละที่อัตตาเนี่ยเกิดขึ้นในความคิดบ่อยๆเนี่ยนะ ชาวนะเกิดเจ็ดครั้งแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าพันองค์ก็แก้ไขไม่ได้เนี่ยนะเจ็ดชาวนะแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าพันองค์ก็แก้ไขไม่ได้นะถ้ามิจฉาทิฐิเกิดขึ้นรงแรงถ้าที่ดวงที่หนึ่งก็พอได้สองก็พอได้สามได้แต่ถ้าครบเจ็ดแล้วก็แก้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นทิฐิเนี่ยจึงเหมือนกับป่าทึบแล้วก็เป็นเป็นกันดารคือทิฐิว่า ง, งั้นเถอะรกชัดปราบได้ยาก แต่สรุปว่าที่ถีทั้งหมดนี้ก็ไปไปชมลงที่ไหนที่ที่ถี่ิบสนั่นแหละเั้นที่ถีทั้งหกสิเนี่ยเป็นที่ถีที่แก้ไขา ย, ยากเพราะฉนั้นที่ถีนั้นก็คือรกชัดตรงนี้แปลว่าป่าทึบเหมือนกันเพราะอาจว่าปราบได้ยากแก้ไขา ย, ยากชื่อว่ากันดารเพราะข้ามได้ยากที่ถีเนี่ยนะข้ามยากก็เหมือนกับเราไปทางไปผ่านทะเลทรายไงซึ่งมันกันดารเนี่ยโอ้กว่าจะข้ามผนเนี่ยมันยากเลือเกิน อันนี้ที่ถีก็เหมือนกันเหมือนกับความกันดานด้วยทุพพิขภัยและสัตว์รายเป็นต้นเนี่ยนะโหกว่าจะผ่านพ้นไอ้ที่กันดานอันนั้นเนี่ยไปยากความเห็นเนี่ยนะเป็นสิ่งที่แก้ไขายากมากนะถ้าหากว่าคนที่ไม่มีสารณะจริงๆเนี่ยนะแก้ไม่ได้นะคุยกันยังไงก็แก้กันไม่ได้และที่ถีนั้นเป็นข้าศึกเนี่ยนะก็คือเพราะว่าเป็นเครื่องเสียดแทงแล้วก็เป็น เป็นเครื่องที่ขัดต่อสัมมาทิฏฐินะความเห็นเหล่านี้ไม่เป็นไปกับกรร ม, มสกตาสัมมาทิฏฐิอะไรเลยนะแล้วก็ทิฏฐินั้นดิ้นรนไปต่างๆดิ้นรนตรงนี้ก็แปลว่าเดือดร้อนเนี่ยนะจริงก็ต้องดิ้นรนดิ้นรนยังไงก็คือบางครั้งก็เป็นสัสตะทิฏฐิบางครั้งก็เป็นอุดเฉท ท, ทิฏฐิแล้วก็ทิฏฐินี้เป็นเครื่องผูกนะเป็นสังโยชน์เป็นทิฏฐิสังโยชน์ ผูกสัตว์ไว้ไหนไหนพบสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสัตวาศ9ก้าบุญเวียนเปลี่ยนกันไปเนี่ยพื้นฐานเหล่านี้มาจากไหนมาจากความคิดนั่นแหละมาจากไอ้ตัวทิฐิที่เกิดร่วมกับกับจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นหนึ่งความคิดของเราเนี่ยนะอย่าอย่าไปดูถูกเขาเนะหนึ่งความคิดเนี่ยนะชีวิตทั้งชีวิตของเราเนี่ยอยู่ที่ความคิดความคิดเดียว ถ้ามันเกิดความคิดบางอย่างวับขึ้นมาต้องฆ่าให้ได้ไงโอปานาติบาตตามาเพียบเลยแต่คิดบางอย่างไปเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเข้าอันนี้ลําบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่เรียนเรื่องจิตหรือเรื่องวิธีเนี่ยวิธีแก้ปัญหาก็คือพยายามนึกถึงสูตรอย่างใน ช, ะชะกักกสูตรเป็นต้นก็ได้นะจะค่อยๆแก้ความคิดได้หรือผู้ที่สําคัญว่าวิญญาณเนี่ยเป็นอัตตาเที่ยงเท้เป็นตัวที่สเสวยผลแห่งกรรมดีกรรมชั่ว ก็เหมือนกับที่พระองค์ทรงแก้กับพระสาติใช่ไหมว่าวิญญาณเนี่ยนะเกิดจากปัจใจใช่ไหมถ้าอาศัยตากระสีเกิดเรียกว่าจากักรวิญญาณเนี่ย น, นะความคิดแล้วก็จกักรูนี้เป็นอะไรเป็นทวารของวิถีจิตทั้งวิถีเลยเนี่ย น, นะเป็นวัตถุด้วยเป็นทวารด้วยของวิถีจิตทั้งวิถีอันเมื่อเห็นปับต่อด้วยจกักรทวารวิถีถ้าอารมณ์นั้นเป็น อติมหันตารมหรือมหันตารมหรือปริตตารมเนี่ยนะก็คือจักรคูทวารวิถีจะเกิดเพราะได้ยินเสียงทางหูเนี่ยนะหูเนี่ยเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งทวารเป็นทั้งอินทรีย์แห่งการเกิดขึ้นของวิถีจิตทั้งวิถีเพราะนั้นแต่ว่าวิถีจิตเนี่ยนะอย่าลืมว่าการเกิดขึ้นของวิถีจิตก็เหมือนกับเสียงสะท้อนเท่านั้นเองแต่ว่าชาวนะตัวนั้นเนี่ยมันมีมันเป็นเหตุใหม่ แม่ถ้าไม่ได้ศึกษาคําสอนไม่อยากเชื่อเลยนะว่าไอ้นั่นคือเหตุใหม่ะในความคิดนั้นแต่ล ะ, ะวิธีแต่ละวิธีทีนี้ในแต่ละวิธีเนี่ยทั้งหมดมีใหญ่ๆแล้ววิธีโดยหวิธีใช่ไหมจากครูทวารโสตะทวารคารนาทวารชิวหาทวารกายทวารและมโนทวารหกวิธีเนี่ยมันเกิดสลับกันเม<อ>ื่อมันเกิดสลับกันเนี่ยนะแล้วแต่ละวิธีเป็นอุปนิสัยให้แก่กันด้วย<อ>เป็นอุปนิสัยให้แก่กัน เย็นเยนถ้าจักครูทวารวิถีเป็นโทสะนะมันจะเป็นให้ชวนะทางมโนทวารและโสตทวารก็เป็นโทสะไปด้วยมันโทสะมันตามมาแล้วก็เป็นปัจจัยแก่กันและกันอยู่อย่างนี้มากเมื่อเป็นปัจจัยอยู่อย่างนี้ค่อยๆแก้ก็คือพยายามตรึกถึงพระสูตรเนี่ยนะพยายามคิดตามพระสูตรอย่างเดียวแล้วปัญหาของเราจะค่อยๆแก้ได้เนี่ยนะก็จะค่อยๆแก้ไปแต่ถ้าหากว่าเราจําคําสอนอะไรไม่ได้เลยนะออกมานึกไม่ออกว่าจะแก้ยังไง มันแก้ไม่ได้จริงๆเลยนนะวิธีอื่นไม่มีแล้วนะนัตทีเมสารนังอันอยังผูธทมโมเมสารนังวะระสาระอื่นเหมือนกันที่พึ่งอื่นอย่างอื่นไม่มีแล้วนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แต่ทีนี้พระพุทธเจ้าจะช่วยเราอย่างไรถ้าเราไม่จําคําสอนของท่านได้ฉะนั้นจําคําสอนแล้วมาค่อยๆแยกแก้ปัญหาปัญหาชีวิตของเราถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นเราก็ปล่อยความคิดของเราไปเรื่อยทีนี้ความคิดอันนั้นเนี่ยนะ รูปร่างกายยังพอมีคนช่วยเหลือเราได้ใช่ไหมหิวก็ยังมีคนเอาอาหารมาให้หนาวก็มีคนเอาผ้าห่มมาให้ร้อนก็มีคนช่วยผ้าช่วยบอกเป็นต้นแต่ถ้าความคิดของเราเนี่ยนะไม่มีใครช่วยเราได้นะความคิดเนี่ยถ้าเราไม่มีเกาะไม่มีที่พึ่งไม่มีสาระแล้วนะความคิดนั้นเป็นความคิดที่เหมือนกับที่กุฏินะ อ่าที่ทางเดินเนี่ยมันมีพึ่งพึ่งอะไรผู้การมิ้มเลยมิ้นนะพึ่งเล็กเลยวันนั้นน่ะฝนตกแรงมากฝนทั้งลมด้วยเนี่ยนะมันปลิวแล้วก็ไม่ทราบว่าฝนฝนปลิวหรือลูกน้องมันล้นะทํามันรังมันร่วงลงไปแต่แล้วฝนยังมาชะล้างมันอีกและทีนี้พวกมันก็มาเลียเอาน้ํำพึ่งที่มันหยาดอยู่ข้างล่างเนี่ยน้ำมาที่วันวาเอาไปรอเลี้ยงทํารังใหม่ ก็นึกถึงอะตัวก็นิดเดียวเนี่ยนะ umm. ก็ยังโูทุกทรมานขนาดนั้นเวลาฝนจะตกเนี่ยมดมันตามมาพพ่นแล้วก็ไอ้ข้างคากุเตเนี่ยมีรังมดอย่างใหญ่มากนะมันอยู่คงอยู่หลายล้านตัวแล้วก็นึกดู oh, โอ้โหสังสารวัตเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ ม, นะ ม, ไมีมีความปลอดภัยอะไรแมมแต่นิดเดียวเลยถามว่าก่อนจะไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาทําลายตัวเขาเองคือทําลายความคิดของเขาเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้นตอแห่งสังสารวัตรทั้งหมดก็อยู่ที่ ที่ความคิดเพราะฉะนั้นความคิดของเราถามว่าเอาอะไรเป็นที่พึ่งอ่ะเอาอะไรเป็นที่พึ่งก็คิดอยู่แล้วอย่างเนี้ยไม่ให้คิดก็ไม่ได้มองเห็นแล้วก็ต้องคิดหูได้ยินแล้วก็ต้องคิดเดี๋ยวก็คิดในแต่ละความคิดเนี้เอาอะไรเป็นเป็นหลักจริงๆของความคิดดังนั้นคําสอนจะกล่าวถึงเรื่องของความเป็นไปของความคิดแล้วจะรู้ว่าอะไรควรคิดและไม่ควรคิดถ้าหากว่าคิดไปผิดสูตนะจะเหมือนแบบนี้เลย คิดแรกๆใหม่ๆเนี่ยนะถ้าเข้าใจไม่เพียงพอวิจิกิจฉาสิบหกจะเกิดก่อนพอวิจิกิจฉาสิบหกเกิดแล้วนะทิฏฐิหกจะต่อมามั่นคงอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จแล้วถ้าหากว่าทิฏฐิเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเหมือนกับตาข่ายดักสัตว์ทั้งหลายนะที่จะพ้นจากวัตทุกข์จริงๆก็ไม่มีถ้าทิฏฐิแรงกล้านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็จักไม่ฝังธรรมเนี่ยนะจะเชื่อมั่นในความคิดอันนั้นมากเพราะฉะนั้น ทิฏฐิเหล่านี้นานๆเข้าก็จะกลายเป็นาศาสดาจานอะงี้ยศาสด า, สาศาสดาแบบไหนาศาสดาที่พาปฏิบัติในลทัทธิแพและลัทธิไก่ลทัทธิสุนัขเคยได้ยินนะถ้าเป็นอินเดียเนี่ยนะทำตัวเรียนแบบสุนัขเป๊ะเลยเนี่ยนะจะกินก่อนเห่าก่อนเลียก่อนยังไงมีการเลียทําตัวเหมือนวัวแปะ๊ะหมดเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นหรือเขาอยู่ในป่าชาแนลนในโรงศพเขาทําได้หมดเลยนะด้วยอํานาจของทิฐิเหล่านี้เนี่ยนะเป็นไปได้หมดเลยหรือเหมือนกับชาวเขาชาวเผ่าอะไรต่างๆที่ที่ด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิเหมือนอย่างที่ว่าพ่อแม่มีบุญคุณมากอะ่ะเขาก็ไม่รู้นะด้วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิเนี่ยให้ขึ้นต้นไม้เลยนะขึ้นไปขยา่าถ้าตกมาก็สมควรตาได้ละฆ่าเลยอะถ้ายังเกาะต้นไม้แน่นก็เอาไว้ก่อนเอาไปเลี้ยงต่อนะเออลทัทธิมิจฉาทิฐิเนี่ยเป็นขนาดนั้นนะ ขนาดพ่อแม่เป็นถ้าหากว่าผู้ใดเลี้ยงดูก็เท่ากับเลี้ยงดูพระอารหันต์ถ้าค่าก็เหมือนกับข่าพระอารหันต์นั่นแหละมันก็ตรงกันข้ามหมดเลยฉะนั้นพ่อแม่ที่มีบุญคุณมากมายมหาศาลควรที่จะเลี้ยงดูตอบแทนเป็นต้นก็กลับไปทำในตรงกันข้ามหมดฉะนั้นโหบาปกรรมเหล่านั้นไปเก็บไว้ที่ไหนเนาะคือมันไม่มีไม่มีไม่มีว่ามันร้ายผลนะเจตนาทุกๆความคิดของเราเนี่ย เพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนในมโนสันเจตนาหารว่าเพึ่งเห็นมโนสันเจตนาหารเหมือนกับบุรุษสองคนจับแขนคนละข้างเอาไปโยนในลงในห ล, ลุมฐานเพลิงอ่ะมันน่ากลัวเท่านั้นนะความคิดของเราเนี่ยเจตนาที่เกิดร่วมกับความคิดเหมือนบุรุษสองคนเนี่ยนะจับชายคนหนึ่งที่อ่อนกําลังในโยนเข้าไปในหลุมฐานเพลิงเจตนานเนี่ยฉุดค่า น, นํามาซึ่งปฏิสนธิในพบต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้เรื่อง สิ่งในโลกนี้ที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดเพราะว่าจิตนั่นแหละเป็นประธานของเจตสิกทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อาสาธาอาทีนวะและนิสรณะอุบายเครื่องสลัดออกจากความคิดเหล่านี้ได้ผู้นั้นก็จะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยนะทำยังไงจึงจะรู้ว่าชั้นต้นเลยนะความคิดมีกี่ชาติเนี่ยน ะ, ะจะรู้เรื่องสัจจะแล้ใช่ไหมความคิดอะไรเป็นสาเหตุอะไรเป็นสายผล ทำยังไงจะสลัดออกจากความคิดได้ความคิดอาศัยอะไรปัจจัยจึงเกิดขึ้น น, น, นะก็ค่อยศึกษากันต่อไปเนาะนะวันนี้คงใช้เวลาเท่านี้ว่ายึดถือสัญญาขันนี้ไม่ไม่ทราบว่าจะมีมีต้องสลับรูปประขันเวทนาขันอ๋ออ๋อออข้อเฉพาะที่ถีตรงนี้เนี่ยนะเขายึดถือว่า สำคัญสัญญาขันว่าเป็นอัตตาเฉพาะสัญญาขันเจริญพรจะจ ะ, จะไม่สลับเวทนาขันเออไม่ไม่สลับไม่สลับเพราะตรงนี้อัตถกถาท่านอธิบายยกแต่เฉพาะสัญญาขันคือในสูตรนี้นี่เราจะต้องนึกออกนะว่าแสดงโดยมีส่วนเหลือนะเป็นการแสดงธรรมโดยมีส่วนเหลือเพราะว่าแสดงตามอัธยาศัยของผู้ฟังด้วยส่วนหนึง่งแต่ถ้าบอกว่าสัญญาเป็นอัตตานะถ้าตามหลักเนติแล้ว เท่ากับไม่กล่าวอย่างเงี้เท่ากับกล่าวหมดแนละ้วถ้าตามหลักเนตินะถ้ากล่าวว่าสัญญาเป็นอัตตาที่เหลือเท่ากับกล่าวแล้วในลักษณะของกายะติเนนะจนพรเหมือนกันหรืออีกมญญายาหนึ่งที่บอกว่าถ้าที่ไหนบอกว่ากายะคตาสตินะที่นั่นเท่ากับพูดเวทนาตคติอ่ะเวสมุ่งกายะคตาสติจ้ะไหมเวทนาสติสัตว์แล้วก็จิตตาสติและธรรมมาสติเท่ากับพูดแล้วตรงนั้นด้วยนะเขามีหลักอยู่